ข อ, อ ก, กขราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพ อ, อย่างสูงครับกราบนักการศหมู่สมณะและพิสุกรูปด้วยความเคารพครับเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนราชธา น, นีโศกหรืออยู่ที่บ้านทุกคนวันนี้รายการเรียนอิสระก็พวกท่านเช่นเคยตั้งแต่เวลา18นาิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณ วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9สิงหาคม2556ขึ้น3ามค่ำเดือน9ปีมะเสงรายการอิสระเรียนอิสระวันนี้ตามสํานึกวันนี้ก็จัดอยู่ที่บ้านราษเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ําบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธ์เมืองอมะตะนะตอนนีนะ้การเมืองก็กําลังนะเข้มข้นนะแต่มันเข้มไปแล้ววันที่7จ็เขาบอกเข้มนะ ก็ตื่นเต้นไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็มีอะไรนิดหน่อยนะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการต่อเ น, นื่องเกิดขึ้นมานะแล้วเราพวกเราชาวกองทัพธรรมก็ไปร่วมกับเขานะตอนนี้อยู่ที่ส่วนลุมพินีนะก็จะประกาศตัวไปเต็มที่นะซึ่งพ่อครูก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะแม้แต่เอาเทปเมื่อวัน ยีสเิเอ็ดกร ก, ก, รกดาที่ีผู้ฐานสีม า, าโศกนะมาออกเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภคีเกี่ยวกับการเมืองก็มาที่บายให้ประชาชนได้ฟังกันนะวันนี้ก็คงจะพูดต่อเนื่องนะในการเมืองอีกแน่ๆนะทีเดียก็ยังไม่ถามว่าครูว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ดูเขาแล้วเนะมฆเมฆมาแล้วว่าการเมืองแน่นอนนะพาะครูเคยบอกเรื่องการเมืองหัวใจของการเมืองเลยว่าบอก อยู่ที่ทำงานอย่างสุจริตซื่อสัตย์จริงมีความรู้ความสามารถด้วยไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเต็มที่อย่างตั้งใจจริงตามฐานะบา ร, รมีประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์เต็มๆทุกระบอกนี่พระครูได้โคดคำพูดนี้ไว้แล้วก็บอกว่าลักษณะการเมืองของผู้เจ้าเนี่ยที่เป็นธรรมาธิปไตเนี่ยผู้เจ้าประสบความสเร็จในความเป็นอานาจหรือความมีอธิปไตในสังคมยุคนั้น อันเกิดจากคุณธรรมแท้แท้เป็นเนื้อหาหลักในความมีอำนาจหรือมีอธิปไตยไม่ใช่เพราะคะแนนเสียงส่วนมากเสียด้วยซ้ำนั่นคือธรรมะอธิปไตยในหมู่ประชาชนอันพุทธบริษัทสมบูรณ์นะพระครูจะพูดไว้บ่อยๆนะเพราะว่าในการชุมนุมนี้ก็จะมีเรื่องการเมืองนี่เยอะนะจะอธิบายความหมายการต่างๆน า, นานาที่เนื้อหาเข้ากับธรรมะนะแม้แต่ไปงานนิโอปรเทสที่ ที่ข้างธทำเนียบรัฐบาลในสมัยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะก็อธิบายเรื่องนี้ไว้เยอะนะวันนี้อย า, ากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกก็ได้นะในส่วนที่พระครูเห็นว่าจะเพิ่มเติมให้ประชาชนได้ฟังย้ําอาตมาว่าการเมืองที่พระครูอธิบายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังจากคนอื่นอธิบายนะเราก็ได้ฟังอาตมาก็ได้ฟังจากท่านองค์แรกว่าการเมืองที่แท้จริงเป็นยังไงทําอย่างไรทีรจ่จะเกิดธรรมะธิปไตยที่แท้จริงจึงเกิดการเมืองที่แท้จริงนะ เราก็เพิ่งเคยได้ยินว่าการเมืองเข้าครูคือไม่ต้องหาเสียงเลือกตั้งนะซึ่งคนอื่นก็บอกต้องหาเสียงนะไม่ต้องหาเสียงเลือกตั้งไม่ต้องไปทําอะไรก็แล้วแต่เธอให้ประชาชนเขาเลือกไปเองอะไรลักษณะนี้ <c oughs> คือคนที่ประชาชนเลือกเองนะไม่ต้องไปหาเสียงะนะไม่ต้องไปหาเสียงคือทำท ำ, ทำตัวเองให้มีคุณค่ามีคุ ณ, ณประโยชน์กับประชาชนแม้แต่พรรคเพื่อฟ้าดินของอาชาวสโศกที่เกิดขึ้นมาก็จะไม่สมัครนะจนกว่าประชาชนจะเรียกร้องให้ให้สมัคร แล้วก็เลือกไปเองเนอะไม่ต้องหาเสียงอะแต่มาว่าก็สบายดีเหมือนกันการเมืองแบบเนี้ยนะไม่ต้องเดือดร้อนมากว่าแต่ว่ามันไม่สบายอย่างที่คิดเพราะว่ามันต้องทําความดีตลอดปีตลอดชาติไงนะมันถึงจะเกิดผล <ทำ S 1> ประโยชน์ทําความดีนี่สบายขอค้านเ <c oughs> ขาบอกให้ตั้งตนท ำ, ค ว, ทำความดีบอกว่กาทํำความทำความดีไปตลอดชีวิตมันก็คงไม่สบายทําความดีไปตลอดชีวิตแน่าจะสบายขอค้าน สบายใจแต่ลำบากอ่าลำบากกายก็คือสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยยังมีกิเลสยังมีอะไรค้านอะไรค้านก็คนทําความดีมันจะต้องมีใจเรายังไปต้านอยู่แสดงว่าใจเรา อ, อวิชชาก็ยังมีกิเลสอยู่ใช่ใจเราโง่ครับอใจเรายังกิเลสมันก็ไปต้านสิ่งที่ดีทําความดีไปตลอดทําความดีความดีไปต้านทาําทความดีแล่นมันโง่ไหมล่ะครับก็ถูกครับเออมันไม่ดีใช่ไหมครับอ่าเพราะงั้นทุกคนที่บอกพูดอย่างนี้ก็คือ คนที่เข้าใจความจริงยังไงเพราจริงทาความดีมันสบายตลอดเวลาพระโจ้าในความรู้สึกของผมยังลําบากอยู่คือก็คิดว่าคือเราต้องตั้งตนความลาบากนะกุศลธรรมเจริญที่นั่นเปภาคปฏิบัติตั้งตนบางความลําบากครับอันนี้ผมก็นึกประเด็นนี้ด้วยอแล้วก็นี่เป็นคำสอนของเจ้าโดยแล้วก็ใจตัวเองด้วยที่ต้องตั้งตนบางความลําบากเพราะว่ากี่ดเราไม่อยาก ขีง่ายขี้เกียจเอาง่ายอยากอยู่สบายๆนะและมันก็ยอมกิเลส ด, ด้วยครับมันก็ซูเอยกันด้วยแต่ว่าเวลาเราจะต้องทําความดีก็หมู่มิธิสายดีนี่แหละก็พาดันเราบ้างจูงเราบ้างอะไรลราบ้างและใจเราก็มีส่วนด้วยเราก็ร่วมบริรักกับเขาเพื่อทำให้เราเจริญขึ้นเจริญ ข, ข, ขึ้นได้นะก็ต้องขอกลับคุณพ่อครูครับวันนี้จะมีอะไรอธิบายโปรดได้ฟังครับอวันนี้ก็คงจะต้องขอสาธยายในเรื่องของการเมืองนะเนี่ยเรียนอิสระนี่เราไปได้ทุ่ ทุกน้ำแหละน้าขุนน้ำใสน้ ำ, นำคลําน้า <c oughs> เค็มอะไรก็ได้ทั้งสิน้นวันนี้ก็อย่างที่ท่านฟ้าไทยได้เกริ่นมาแล้วว่าเราจะต้องพูดกันเรื่องการเมืองและเพราะจาเป็นมันอยู่ในเวลาวาระาที่จะต้องกล่าวเรื่องนี้เป็นสำคัญเพราะเป็นเหตุการณ์อาตมามองตรงาอาตมาไม่ได้เตรียม เพื่อที่จะเป็นเช่นนั้นจะเป็นเช่นนี้จะยังวนอย่างนี้ไม่อะ่ะเพราะนั้นคนที่มาทํางานอาตมานี่บางที่บางคนก็บอกว่าโอ้อะไรไม่อยู่กระร่องกรรอยเลย เ, เขาจะเข้าใจอย่างนั้นเลยว่าอาตมาไม่อยู่กระร่องมาพูดอาตมาตอนนี้ก็มีข้อมูลนี้อาตมาก็าว่าเอาอย่างงี้ประเดี้ยมีมาปุ๊บอีกประชาไม่ามานานนีข้อมูลใหม่มาอีกหนึ่งสองสามข้อมูลอา้าววันนี้มันต้องเป็นอาตมาอา้าไปอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ว่าอาตมานี่ไม่อยู่กระร่องกระรอยครับอาตมาก็ไม่มีปัญหาอาตมาก็ใช้วินิจฉัยด้วยความจริงใจ ว่าอาตมาอยู่กระร่องกระลอยอยู่นะอยู่กระร่องกระลอยที่ความถูกต้องความควดความควรเพราะทุกอย่างม so ันขึ้นกับความไม่เที่ยงอันนี้จังจริงๆนะอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาก็เคยชี้ยืนยันแล้วว่าโอ้โหอภิมหาอันนี้อันนี้จังเลยนะมันอภิมหาอันนี้จังจะเจออภิมหาอนนี้จังมันไม่เที่ยงได้ง่ายๆเลยไอ้นวลินนึกว่าจะเที่ยงอ้าวเปลี่ยนที่วัดเดียวเผลอไม่ได้เปลี่ยนละซึ่งพวกเราก็เลยทําใจได้ <ś led> ไมยึดมั่นถือมั่นก็เลยเออเนี่ ย, ยนี่เป็นการสร้างความไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยอ่าเพราะงั้นเราจะต้องใช้หนึ่งสัพพิสัมมเจ็ดสองมหาประเทศ 4. สี่สองหลักนีนของพระอาจารย์นี่ต้องใช้อย่างสําคัญอ่สัพริสัมมเจ็ดประการธรรมมาขอขยายความนิดนึงแต่หัวข้ อ, ข อ, ขอมันทน่านไม่ขยายความในรายละเอียดมากนักสัพพิสพัมมเจ็ประการก็คือเราจะต้องรู้จัก ให้มีความรู้เนื้อหาสาระของมันให้มากเรียกว่าธรรมัญยุตตาครบหมดทั้งหมดทั้งมวล น, นี่เลยว่าธรรมะหรือธรรมัญยุตตาแล้วก็รู้เนื้อหาสาระที่มีทิศทางเดินไปสู่เป้าหมายเดินไปจุูสู่จุดสําคัญนั่นน่ะ น, นั่นเรียกว่าอัตถันยุตตาแก่นสารสาระเอตเซนส์ Ad ense, มันหรืออินเทรสพอยของมันเราจะต้องรู้จักจุดสําคัญของมันอย่างไงนะอ่ะอัรถันยุตตา ธรรมัญญาตานี่คือองค์รวมทั้งหมดอัตถัญญาตาคือมีทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบไปตามลำดับตามลําดับเจ้าดั บ, บ, บ, บเข้าไปในที่ทางจุดหมายซึ่งมีเป้าเดียวเป้าสําคัญที่สุดต้องจัดชัดเจนส่วนที่สมอัตตัญญาตานั้นคือต้องดูตนประมาณตนตัวเราเท่านี้ตัวเราจะไปร่วมไปทําไปทําอะไรได้แค่ไหนอย่าประม า, นาทนะถมตนไว้อย่าอวดดีนะเพื่อพออะไรต่างๆพวกนี้ สีมัตัญญุตาตัวนี้เป็นตัวกลางมัตัญญาตาก็คือต้องประมาณรู้จักการจัดสัดส่วนเอาเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาประมวลกันแล้วก็บวกรบคูณหารกันให้ชัดเจนได้สัดส่วนที่ควรที่สุดนี่คือมหาประเทศอยู่ในสัดส่วนที่ควรที่สุดตกแท้มหาประเทศมหาประเทศก็มีอยู่ว่าหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็ข้อสองเนี่ย สิ่งใดที่พระเจ้าท่านไม่ได้ห้ามอไม่ได้ห้ามอไม่ได้ห้ามแต่เราพิจารณาแล้วว่าแม้ไม่ได้ห้ามถ้ามันเข้ากับสิ่งควรมามันไม่เข้ากับสิ่งไม่ควรหรือเข้ากับสิ่งไม่เข้ากับสิ่งไม่ไม่เข้ากับสิ่งไม่ควรเข้าสิ่งควรอะไรนี่แหละนะอาตมาจำไม่คอนแมนละมาอภัยนะสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนี้ไม่ควรเข้ากับสิ่งไม่ควร คัดกับสิ่งที่สิ่งไั้นควรสิ่งนั้นไม่ควรนะก็ไม่ได้ห้ามไว้นะให้พิจารณาในกาละหรือบางกาละอ้าวแล้วมันควรไหมตอนเนี้ยหรือไม่ควรนี่แหละไอ้ควรหรือไม่ควรนี่แหละตอนเนี้ยห้ามไว้ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่ควรหรือไม่ควรส่วนข้อสองนั้นก็ไม่ได้ห้ามไว้นี่แหละแต่มันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรในสิ่งที่ควรมันไม่ควรในสิ่งที่ควรพวกนี้ก็พิจารณา มันเป็นเรื่องซึ่งซับซ้อนซึ่งละเอียดนะไม่ควรควรเข้าหรือไม่เข้าข้อสองข้อตอนนี้คือไม่ได้ห้ามสองข้อหลังคือไม่อนุญาตอาไม่มีอนุญาตไว้เลยในคําคําสอนพระเจ้าหนึ่งสองนะั้ไม่ได้ห้ามไว้ในคำสอนไม่มีห้าม อ, าอันนี้หลักกฎหมาย เ, เขาก็มีสบับบรญจัสรับบรรจัสรับบรรจัติเนี่ยบัญจัติสับบรรจัตเขามีเหมือนกันสิ่งข้อสองนี่ไม่ได้อนุญาตตรงนี้ ก็เหมือนการพิจารณาแม่ไ <t> ม <yummy> ่อนุญาตหรือไม่ได้อนุญาตไม้กตามแต่สิ่งนี้ควรน่ะควรในสิ่งที่ไม่ควรก็ตามควรในสิ่งที่ไม่ควรก็ตามก็พิจารณาในว่าควรในสิ่งที่ควรขัดกับไม่ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรมันก็ต้องควรใช่ไหอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันควรในสิ่งที่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่งไม่ควรขัดกับสิ่งควรอย่างนั้นก็ไม่ต้องไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมัน ไอ้ควรแต่ว่ามันเข้ากับสิ่งไม่ควรน่ะมันควรนะแล้วว่าควรแล้วแต่มันเข้ากับสิ่งไม่ควรอ่าแล้วสิ่งที่อ่าแล้วก็ขัดกับสิ่งควรอีกต่างหากนะสิ่งนี้เน่ะเรานึกว่ามันควรแต่มันก็ขัดกับสิ่งควรเขาหรือว่ามันเข้ากับสิ่งไม่ควรอ่านี่มันก็ต้องไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็มีในสี่นัยยะนี่คือมหาประเทศสี่นะเพราะงั้นเราก็ต้องพิจารณาสัดส่วนที่ว่าเนี่ยนะตามข้อสี่ ของสปริธามเจปังการในจัดสัดส่วนต้องใช้มหาประเทศเป็นกาละกาลันยุตตาข้อห้าในกาลันยุตตาข้อห้านี่คือเราจะต้องรู้ยุครู้สมัยรู้เวลารู้โอกาสอลองรู้โอกานี้อาโอกาสนี้นยุคนี้ทันสมัยที่สุดวินาทีปัจจุบันนี้ที่สุดสมัยในสมยะของพระเจ้านี่คือสมัยสมยยะเนี่ย ปัจจุบันนั้นเลยขนาะนั้นเลยปลายเข็มอยู่กับจุดของเวลาเลยพลาดปลายเข็มนี้ไปแล้วไม่ใช่สมัยแล้วยังงี้เป็นต้นอออกจากจุดนี้ไปไม่ใช่สมัยแล้วแสดงว่าพ่อครูก็ยังเปลี่ยนไม่ไม่ได้มากเต็มที่อาจารย์จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเต็มเต็มสมัยเลยอันนี้ผมก็เลยเอเข้าใจมากอาย่างงี้เป็นต้นอ่าข้อห้าคารันยุตาก็คือยุคสมัยโอกาสเวลา ข้อหกหมู่กลุ anything, ่มปริสันยุตตาหมู่กลุ่มนั้นหมู่กลุ่มนี้หมู่กลุ่มนั้นเราร่วมด้วยเราไปอยูเข้าสู่หมู่นั้นเข้าสู่หมู่นี้หมู่เราเองอาหมูนี้มีหมูอื่นมาผสมอาเข้ากับหมูนั้นเข้ากับหมูใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แลแต่ละหมูเขาก็มีความคิดความเี็นเขามีทิฐิมีอะไรต่างๆอะไรเนี่ยเราต้องนํามาประมวลเป็นเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเจดนั้นอุกราปโรปริยุตตาแต่ละบุคคลใครกแต่ละบุคคลคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้น เขาเป็นยังไงอะไรอยังไงก็พิจารณาทั่วมี้เป็นต้นนี่คือหลักธรรมของพระเจ้าทั้งหมดนี่อันนสัตตสั ต, สตเป็นธรรมะของสัตตประรุณนะสัพปริสามเจประการนี่เป็นธรรมะของสัตตระรุณต้องใช้จริงๆอยู่ในสังคมต้องใช้จริงๆริงอย่างอัตมาในขอบอกเลยว่าอัตมาใช้จริงๆแลงเพิจารณาตลอดเวลาต้องประกอบตามนี้ถ้าไม่เช่นนั้นผิดพลาดขนาดนั้นบางทียังบกบกพร่องๆบา ง, บางนิ ด, น, ดน่อย แต่ก็ยังดีว่ายังไม่ผิดพลาดต้นทุนตั้งเสียหายอะไรยังไม่เคยทำมะก็ไปได้พอได้นะอ้าวทีนี้ก็มาเข้าสู่การเมืองที่เราจะพูดจนวันนี้วันนี้เรากองทัพธรรมเราได้ประกาศเราก็ได้แจ้งกระทางทุกคนทั้งเราคือเราทําอะไรเราก็บอกเป็นระยะระยๆกาหนดไปบอกไปเหตุผลก็พูดไปแล้วเมื่อวานก็พูดไปแล้วว่าเราเองเราก็ ต้องดูสังคมเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีฝกักไฟฝักไฟฝ่ายนั่นฝ่ายนี้เราไม่ได้เป็นฝักไฟไหนเราถืาว่าเป็นคนเป็นกลางแต่เป็นกลางต้องมีปัญญาต้องมีความรูนะ้ว่าเป็นกลางคืออะไรเป็นกลางไม่ใช่ไม่เข้าข้างคนดีไม่ช่วยคนดีไม่ใช่เป็นกลางต้องช่วยฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีต้องช่วยกันปุจจัยก็คือต้องช่วยกันกําจัดหรือช่วยกันลดละเขาอยากให้เขาได้ทํา กรรมทําทบาปทําสิ่งที่ไม่ดีพยายามได้แต่ไม่รุนแรงไม่ถึงไปฆ่าแกงเพราะยั่นยุทธวิธีในการที่จะไปร่วมของเราเนี่ยตอนนี้ก็อาตมาก็อธิบายแล้วว่าธรรมะไม่จะขอไปพูดธรรมเมาเพราะการเมืองไปเข้าเรื่องการธรรมะการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอาตมาอธิบายแล้วอธิบายอีกทําไมถึงเข้าใจกันยาก การเมืองที่ชื่อว่าประชาธิปไตยเนี่ยบทบาทหรือว่าพฤติกรรมสําคัญของความเป็นการเมืองประชาธิปไตยชัดๆก็คือความเป็นการเมืองพฤติกรรมของการเมืองพฤติกรรมของความเป็นประชาธิปไตยนี่แหละพฤติกรรมของความเป็นประชาธิปไตยนี่มนุษย์จะประพฤติยังไงปฏิบัติยังไงกับความเป็นประชาธิปไตยเพราะมนุษย์จะต้องปฏิบัติออกมาชุมนุม นี่คือประชาธิปไตยอาตมาพูดแล้วเอ๊ะทำไมมันเข้าใจยากทาไมมันออกไปลงคะแนนเสียงต่างหากประชาธิปไตยบอกโถ่เอ้ยมันอันดับที่ห้าไอ้ไปลงคะแนนเสียงของประชาธิปไตยเนี่ยมันประชาธิปไตยขั้นห้าขั้นหนึ่งนี่ออกมาชุมนุมแสดงความเป็นประชาชนประชาชนมาชุมนุมมาแสดงตัวเต็มที่เลยมาแสดงทวงหนึ่งคนหนึ่งเสียงโทรมาหนึ่งคนอามาแล้วหนึ่งเสียงนี่คืออธิปไตยประชาอธิปไตยของประชาชน หนึ่งคนหเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสีย ง, ห น, ง, น ห, น ง, ยงหนึ่งคนเสียงล้านคนล้านเสียงสองล้านคนประเทศไทยหกสิบห้าหิบ็ดล้านคนออกมาหกสิบห้าสิบ็ดล้านเสียงนั่นคือเสียงประชาธิปไตยแต่มันก็คงเป็นไปได้ยากนาะเป็นไปได้ยากที่มันจะออกมาทั้งหมดเหมือนกันต้องเห็นด้วยพร้อมกันออกมาร่วมชุมนุมพร้อมกันหกสิบนหะ้าหกสิบเจดล้านเสียงมันคงเป็นไปไม่ไดนะ้มันต้องมีความเห็นต่างอยู่แน่นอนนะ สรุปแล้วคือประชาธิปไตยคือออกมาปรเทสเพราะฉะนอาตมาก็จะเปิดตัวตั้งแต่ยุคโน น, นิโอรโประทสนี่ยังเป็นโบชัวเก่าตั้งแต่ยุคโนติดมาก็ยังจะต้องใช้ต่อไปอาตมาก็ถือว่าไอ้ปรเทสหรือว่าการชุมนุมประท้วงอันนี้นี่ประทสการคือการออกมาชุมนุมประท้วงภาษาอังกฤษก็ใช้อย่างนั้นนะ ออกมาประท้วงนี่อาตมาเรียกวานิโอเดโอแปลว่าใหม่คือนิวนี่แหละนิโอเป็นภาษาเก่านิโอโปรเทสตการประชุมนี้แบบใหม่นะอาตมาใช้นามว่านิโอมันใหม่เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยปฏิบัติการชุมนุมแบบนี้ชุมนุมแบบนี้อาตมาก็ต้องนิยามกันไปเลยชุมนุมแบบไหนแบบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็น นี่ตอนนี้พูดในคลองผมมีโพยมีโพยมีโพยจำไม่เก่งอาตมาจดคาว่าจดจำนี่ใช้คำเดียวจำไม่เก่งเอาจะจดถ้าไม่มีจดก็เลิกลืมไม่มีจดก็ลืมมันก็เลยได้แต่แค่นี้สันติอหิงสาซื่อสัตว์มริสุทธ์คมลึกแม่นประเด็นนี่ให้คำชัดชัดเจนแล้วก็ดีดีพอละ สันติคือสงบอหิงสาคือไม่รุนแรงไม่รุนแรงน ะ, ะต้องไม่รุนแรงซื่อสัต์ซื่อสัต์ก็คือต้องซื่อสัตและต้อ ง, งตรอ ง, งอย่าไปเบี้ยว อ, อย่าเพี้ยนอย่าเลี่ยงอย่ามีกลาเม็ดเด็ดพลายซื่อสัต์สะอาดบริสุทธิ์สะอาดสะอาดทุกอย่างเลยไม่มีกิเลสนี่แหละถึงรวมถึงขั้นไม่มีกิเลสเลย บริสุทธิ์เนี่ยทำให้ไม่มีกิเลสแม้จะมีกิเลสก็อย่าให้กิเลสมันมาทำงานต้องกดข่มไว้ต้องบังคับไว้ <c oughs> ซึ่งทําอยู่แล้วเป็นสัญชาตญาณของมารยาทสังคมอยู่แล้วมนุษย์ชาติไม่ฟังกิเลสออกมาเพ่นพ่านหรอกมันก็ต้องกันไว้อยู่มีราคะมีโทรศัพท์มีเต็มปลอ่ปลอยออกมามีเท่าไหร่ปล่อยออกมาโอ้ฮิปปี้ทุกอย่างอิสระเสรีมีอะไรแสดงออกได้อิสระไม่ได้สัญชาตญาณมนุษย์มัน ไม่แสดงออกหรอกในสิ่งที่มีควรนะเพราะฉะบริสุทธิ์ก็คือต้องไม่ให้กิเลสออกมาทํางานซื่อสัตย์ทุกอย่างต้องตรงตรงตามกฎหมายตรงตามหลักเกณฑ์ตรงตามวัฒนธรรมตรงตามข่านิยมสังคมอะไรก็แล้วแต่ควรจะตรงบริสุทธิ์ก็สะอาดไม่มีกิเลสคมลึกแม่นประเด็นอีกสองอันสําคัญเหมือนกันต้องตรวจสอบให้คมลึก ทั้งลึกซึ้งทั้งคมคายตั้งชัดเจนให้ได้ประเด็นที่ชัดประเด็นที่ต้องถูกตรงแม่นคมชัดเจนต้องให้ได้ในทุกๆ ก, กรณีที่จะต้องประมวลเหตุปัจจัยใหม่เหตุปใจใัจจัยนั้นเหตุปจัปจจัยนี้มามีข้อมูลมาใหม่ข้อมูลนครวันะนี้นํามาบุกลบกว น, นกันให้ชัดเจนนี่เป็นวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติในสุกรมเราจะเรียกว่าปรัชญาการชุมนุม สันติอหิงสาสอสั์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็ น, นเป็นปรัจจาแงการชุมนุมนที่การชุมนุมของเราอาตมา ก, ก็ทำแผ่นแผ่นพับหรือโบชัวนี้ออกไปทางต่ขาวโน้นแล้วเนี่ยเวลาการปฏิบัติเราประยุมประท้วงเนี่ยเราจะทำยังไงก็หมอ ก, กันพูดเล้กมาอดไม่ได้ทนไม่ได้กันนะเรามาชุมนุมประท้วงจะต้องไม่ย่วยุ จะต้องมาอยู่ยุไม่ทําการให้เกิดความรุนแรงดังทักษันตีท่านก็ใช้คําว่าสัตยาเคราะห์นสัตยาเคราะห์ท่านใช้คําว่างั้นจนกระทั่งกอบกู้ประเทศชาติได้ของขทักนทีท่านก็กอบกู้ได้คือยอมนะใครจะทําร้เราเราไม่สู้เราไม่ตบตีตบต่อต่อต่อยใครจะทําให้ก็ทําต้องอดทนเอาทนไม่ได้วิ่งนี้อ ใครที่ทนไม่ได้ต้องลบต้องเลี่ยงต้องวิ่งหนีทนไม่ได้ให้เขาทำไม่ได้มันเราไม่ไม่แข็งแรงพอไม่กล้าพอาก็ลบอย่าไปว่ากันมันเว้นอิ่อเด็กเราก็ต้องเห็นใจมันไม่แข็งแรงนี่มันไม่กล้ามันก็ไม่กล้าก็ต้องไปคนแข็งแรงก็ว่าไปเรามีความมุ่งหมายที่จะเอาความจริงกับความรู้ความจริงกับความรู้ออกมาตีแผ่เปิดเผย เ, เป็นหล นี่คือออกไปชุมนุมแล้วก็มาเสนอสิ่งนี้เสนอความจริงเสนอความรู้เสนอความจริงเสนอความรู้เสนอความจริงเสนอความรู้ไม่จะออกมายั่วยุเอามาเกาะเรื่องทะเลาะวิวาสให้มันเกิดความรุนแรงให้มันเกิดความร้าวรานเมืองการให้ปากหรือว่าการประท้วงที่เขาใช้กันมาเพราะงั้นพยายามมีความรู้ความอะไรเนี่ยต้องให้ชัดเจนเอาความรู้เอาความจริงออกมามามาประกาศกัน อให้เป็นหลักฐานแท้ๆมันจริงยังไงมันจริงยังงมันจริงงี้ผิดยังโน่ผิดอย่างงี้ก็ว่าไปให้มันครบไปมันชัดเจน่ะเปิดเผยให้มากๆให้หมดหมดให้ทวนๆเลยนี่คือยุทธศาสตร์ใหญ่ของเราอที่จะต้องทําไปเรื่อยๆยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดนี่คือสโลรกที่เราใช้กัน น่ายาวให้เป็นอเย็นเรื่อยไปไข ค, ความจริงออกมาให้มากมากเพราะเราเจ้าชนะด้วยความจริงด้วยความรู้เราไม่ใช่มาชนะกันด้วยเดี่ยวเดรงเหมือนกับสมัยโบราณอ่าจะต้องใช้ดาบใช้ปืนใครชกได้ใครข่มได้ใครทำลายได้นั่นได้ได้ฉานสัตว์มันทํากันมาแต่ไหนแต่ไรนี่เราเป็นมนุษย์มนุษย์ประเสริฐแล้วด้วยยุกหินหรือยุกที่ยังตีกันอย่างจังแกงกิสขาดหรืว่ายุกอะไรเนี่ย แม้แต่ยุคเดี๋ยวนี้ก็ยังมีใช้นี่ใช่ปืนใช้อาวุธรบปรากอาฟังกันแล้วควรจะผ่านยุคนั้นได้ไหมจึงเรียกว่านิโออ่าน uh, ิโอโอ่านิโอโพลิอ่าอ่านี่เป็นการเมืองใหม่เป็นการเมืองใหม่น e o politics มันก็ต้องมีการแม้เมื่อมันมีใหม่การเมืองใหม่ก็มีการชุมนุมใหม่นิโอ r o t e s t มันก็มีการชุมนุมประท้วงใหม่ ที่มันจะไม่เหมือนระบบเก่าเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อหาแท้ๆที่อาจมาอยากจะให้พวกเราฟังและฝึกดูแพ้ไม่เป็นไรเราเสนอความดีที่สุดแพ้ก็แพ้แพ้ก็แพ้ชะตาสามแต่ใจคงชงความมั่นคงอาจารมาเป็นผู้แพ้ยอมเป็นผู้แพ้ตลอดชีวิตนี้ชาติ น, ตนี้ชาติไหนก็แล้วแต่แพ้ไม่เป็นไรขอให้ภาคเปลี่ยนเอาความจริงความรู้ความจริงนี้เสนอไปให้แกสังคม อาจจมาเสนอมาไม่รู้กี่ชาติแล้วชาตินี้ก็จะเสนอต่อนะลองออกมามาสู้มไม่จะไปสู้มาเสนอนะมาเสนอความจริงนะยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆาหมดหมดนะเพราะงั้นผู้ที่มาร่วมผู้ที่มาสนใจผู้ที่จะมารับในสิ่งที่เราเสนอนี้ก็จะได้รับความรู้รับความจริงถ้าเราเองเราแสดงไปแล้วเสนอไปแล้วมันผิดมันไม่ถูกต้องอยังไง ทวงกันสิมาทวงกันได้มาม า, มาให้ข้อมูลนักอีกนะหรือว่าจะมาแย่งมาติเตียนมาให้าการวิเคราะห์วิจัยเราอีกได้เราขอบคุณเรา ย, ยินดีเข้ามาเลยนะเพราะฉะนั้นเราเองเราก็จะมาทําสิ่งนี้แหละเราถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องประเสริฐไม่จะมายัวย่วยุ่ให้ข่ายแกงกันเอาเรีย่ยเอาแรงมาสู้กันเหมือนอย่างก ะ, ะิมนุษย์ก็ทํากันมาแล้วมันควรอยู่กันได้แล้วใช่ไหมใช้ใช้ปัญญาและคุณธรรมเป็น เป็นพฤติกรรมมนุษย์ได้หรือยังเราจะทําอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเอาสงบกับเขาเขา้ข า, ขาต่อสู้อรัทนะติอหิงศาสื่อาศาสตร์บริสุทธิ์ขมลึกแม่นประเด็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาวุธอนะเป็นบุญญาวุธ ข, นะของเราอ่าเพราะฉะ้สิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยคนที่มีความจริงเป็นหลักสุดท้ายความจริงที่เป็น แต่ตัวชี้บ่งความชนะความจริงจะเป็นตัวชี้บ่งความชนะนะซึ่งในความจริงชี้บ่งความชนะนี้อาตมาเคยเทศมาก่อนแล้วแต่ก่อนนี้อาตมาเทศทั้งเรื่องคำสองคาคือตุลาการพิวัตรกับประชาพิวัตรตุลาการพิวัตรเห็นว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้มันจะต้องช่วยในยุคที่ยังชุมนุมกันอยู่เขาก่อนน ะ, นะอาตมาได้เทศอาตมาเองในแบบคนใช้คํานี้ ตุลาการพิวัตรกับประชาพิวัติรนี่ประเห็นว่ามันจะต้องใช้อำนาจของตุลาการหรืออำนาจของประชาชนอย่งเหลือเท่านี้อำนาจสภาอำนาจอะไรๆต่างๆนั้นมันไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วอำนาจสภาที่ติดันญัติอำนาจบริหารมันลบเหนี่ยมาตั้งแต่นน่นแล้วเพราะนั้นเราก็เหลืออำนาจตุลาการก็เลยเสนอไปตุลาการพิวัตรกับประชาชนพิวัตรประชาชนนี่อาตมาที่จําได้ก็เพราะว่าอาตมาคิดคํานี้ประชาพิวัตรเนี่ย มันมีคําว่าประชากับประชาชนประชามันก็แปลว่าชาวประชาชนประชาชนมันเป็นคำรวมที่มาใช้กันยาวอาจจะมายเ่าเอตุลาการพิวัตรก็ใช้ละตุลาพิวัตรมันก็คงห้วนไม่ดีก็เลยใช้ตุลาการพิวัตรส่วนประชาชนพิวัตนี่เขาจะใช้ประชาชนาประชาเชนาพวัฒพิวัตคือประชาชนสนทิก็คำว่าอภิวัตใช่ไหมประชาชนาพิวัต ดีหรือจะใช้คําว่าประชาพิวัติดีอัตมาก็มาเลือกเฟ้นคัดเลือกไต่ตรองอยู่อัตมาจําได้ว่าอัตมาคิดคําเนี้ยตุลาการพิวัตกับประ ช, ปชาประชาพิวัติก็เลยตัดสินนะว่าเอานะตุลาการเอาตุลาตุลาเนตุลาเอาตุลาการพิวัติส่วนประชาชนนี่เอาประชาพิวัติแล้วกันไม่ต้องเอาชนเอาประชาพิวัติก็เลยใช้สองคำนี้ออกมาอัตมาจําได้นะก่อนที่จะมามีโบชัวนี้ อัตมาเทศไงก็จะมามีคําบันทึกมาเรียบเรียงมาทําอะไรเป็นใบใบใบใบอะไรโบชวนใบภาษาไทยเก่งภาษาใบแผ่นพับเนี่ยก็จะมาไปเป็นใบแผ่นพับนี่ก็มันก็ต้องเท่มาตั้งก่อนนานแล้วนะเสร็จแล้วประเทศไปอะไรไปก็เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งตุลาการพิวัตรท่านช่วยก็เลยลมเกมจัดการชัดเด็ ทำไปได้นานยกออกไปได้ทั้งสองค น, นทีนี้มาถึงวันนี้แล้วอำนาจของบริหารกับอำนาจของสภานะั้นแน่นอนไปรมหมดแล้วเนรนะใช้ไม่ได้แล้วตุลาการก็โอโหอ่อนแรงมากแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเหลือแต่ประชาพิวัตณตอนนี้ ตุลาการก็ช่วยได้จริงๆถ้าท่านเองท่านแข็งขันถ้าท่านไม่ช่วยท่านก็ยิ่งชุดเลยแหละถ้าท่านไม่ช่วยก็ยิ่งชุดเลยตุลาการพิวัตรเนี่ยณตอนนี้นี่ก็ต้องพึ่งอย่างมากเลยแต่ท่านถ้าไม่ช่วยก็ชุดเราก็จะยิ่งแย่เแล้วก็งงจะเหลือแต่ประชาพิวัตรโดยแต่อํานาจของประชาชนเพราะประชาชนต้องผนึกณตอนนี้ประชาชนต้องผนึกอย่างเต็มที่ เราจะได้พิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยกันตรงนี้นี่คือโอกาสนี่คือเวลามาถึงแล้วหนึ่งคนหนึ่งเสียงไปทำความเข้าใจแระคิดไว้พอถึงเวลาแล้วบอกว่าเอามาชุมนุมประชาธิปไตยคืออะไรเอามาชุมนุมนี่คือก็ออกมาลงคะแนนออกมาชุมนุมนี่คือออกมาลงคะแนนแล้วคะแนนสดสด้วยไม่เป็นเรื่องผู้แทนนะไม่ใช่ไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนนะ คะแนานเสียงของคุณแต่ละหัวแต่ละหัวหนึ่งหัวหนึ่งเสียงเลยเอาตมาก็อธิบายอธิบายทําไมไม่เข้าใจแล้วก็คนฟังก็ไม่รู้อะไรอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ก็น่าจะช่วยกันอธิบายอาตมาเชื่อว่าท่านรัฐศาสตร์ทั้งหลายแหละเรียนมาจบปานปริตรีโทเอกอาตมาอถวิจัตวายังไม่ได้เลยอย่าว่าจะปริญญาตรีปริญญาจัตวาก็ไม่ได้น ะ, ะก็น่าจะช่วยกั น, นเพราะงั้น ออกมาเลยเป็นโอกาสเวลาแล้วที่คุณจะมาแสดงความเป็นประชาธิปไตยออกมาเป็นตัวตนสดๆคุณเป็นประชาชนไหมเป็นคุณเอาอธิปไตยของคุณคืณออำนาจของคุณมาคงคุณมีอำนาจหนึ่งเสียงเอาออกมาเอาออกมาหนึ่งคนสองคนสามคนก็หนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสีเสียงก็นับไปสี่คะแนนเสียงประชาธิปไตยคะแนนเสียงของประชาชนของจริงสดๆเลยอัตมาจะพูดย้ำซ้ำอย่างนี้กี่ทีไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจ พราประชาชนอย่าดูดายอย่านิ่งอย่าเฉยอย่าไม่เอาถาน อ, าอะไรถ้าเป็นโรคประชาธิปไตยแล้วต้องเช่นนี้ต้องกระตือกระตือรือร้นหรือต้องเอาเอาภาระไม่ใช่ไหมเอาตาดูงูแลกใครจะยำใครจะทําลายประเทศชาติใครจะขุดเอาสมบัติประเทศใครจะโกงใครจะกินใครจะทําร้ายใครจะยังไงช่างเถอะเราหากินของเราเลี้ยงตัวเองไปเท่านั้นมันก็เลี้ยงตัวเองอยู่ทุกคนอยู่แล้วแหละ แต่ว่าหาเวลาหาโอกาสออกมาช่วยประเทศชาติกรตันยูในไมค์คนอาศัยประเทศชาติบ้างหรือเปล่าอยู่ในแผ่นดินนี้นะเกิดในแผ่นดินนี้อาศัยแผ่นดินนี้นะนะเพราะงั้นก็ต้องกตันยูกับ ป, ประเทศชาติด้วยแผ่นดินบ้างนะก็ช่วยบ้างนะคนละไม้คนละมือนะสหรตมานี่ก็พยายามปากเพียนบอกชาวโศกกันบอกแล้วพวกเราก็เข้าใจพวกเราก็มาช่วยกันไปตามที่เป็นไปได้ อโศา์ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่เราไม่ได้ปิดบังนะแล้วเราก็ไม่เคยคุยโมโ้่าเราในใิยัยแต่มันมีความซับซ้อนมันมีความซับซ้อนของความเป็นเอกภาพของเรามีคุณธรรมเจ็ดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปนะสารณิยะปิยกรลนะกรุกัลนะสังฆาอวิวาทะสามกิยะเอกีภาวะเอกีภาวะคือมันเป็นเอกภาพมันเป็นปึกแผ่นมันแน่นหนามันมันปึก น, นี่มันเป็นสัจธรรมจริงๆ เพราะเรามีความเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันไม่ขัดแย้งกันเห็นร่วมกันเข้าใจกันมันเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆสามมาคีมันจึงพร้อมเพรียงสามมาคียะและเราก็ไม่วิวาทกันอภิวาทะอย่างนี้เป็นต้นอ่าเราก็ไม่ขัดแย้งขัดแย้งกันพอเหมาะเสร็จแล้วเราก็รู้จักวิธีการชุมนุมกันประชุมกันไม่ใช่ชุมนุมที่เดียวชุมนุมก็ได้ประชุมกันแล้วก็วิเคราะห์วิจัยกันอภิปรายกันแล้วก็ตัดสินมีมตินิมติแล้วก็ทําตามมติ นี่เป็นหลักการที่ทํามาแล้วพระเจ้าสอนมาทำมาทุกอย่างเลยเอาบริหารเยีธรรมต่างๆพวกนี้ท่านสอนทั้งหมดเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าสอนหมดของพระเจ้านี่ไม่เสมอทันสมัยมาแตย่ยุคไหนอยู่ไหนก็สองพันกว่าปีห้าพันกว่าปีหมื่นปีแสนปีที่แล้วกับเดี๋ยวนี้เหมือนกันหมดของพระเจ้านี่ไม่ต้องแก้ไขของท่านเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอย่าไปแก้ไ ข, ขคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านตราไว้ยอย่างไงเหมือนกันหมดอย่าไปแก้มันสิ่งสูงสุดแล้ว อันนี้เป็นเรื่องอาจินไตที่จะต้องเข้าใจให้ชัดเจน น, นันเป็นเรื่องที่อาจินไตคือคิดไม่ได้หรอกแต่มันเป็นความจริงที่มันจริงอย่างมีมีความจริงมันมีสัจจะ ท, ที่ยืนยันมาตลอดเวลาไม่รู้กี่ล้านล้านล้านปีแล้วเขาพูดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมาจริงๆตรงกันหมดล้า น, านปีแล้วมันจะเป็นเรื่องประหลาดสำ ห, หรับ อ, อาตมาแต่หลายค น, นจะประหลาดแต่อาตมาที่ไม่ประหลาดจึงบอกความจริงนี้ให้ฟังเท่านั้นเองอ่า เพราะงั้นเมื่อผู้ใดออกมาร่วมกันแล้วแสดงคะแนนเสียงแล้วถ้าประเทศไทยทําได้เข้าใจแล้วทําสงบสันติอหิงสาซื่อสัตว์เราเอามาร่วมคะแนนเสียงนี้จริงๆเลยจริงๆแล้วอยากดูเหมืองกันจริงเขาจะกะเฮียนกระฮือหรือดื้อดึงดันอะไรนี่แหละเสร็จแล้วก็โอ้โหละเมิดทั้งกฎหมาย ครูทำแแห่แห่แห่เหมือนก็แบบที่สัตว์มันชูดมันชอบทํากัน่ไม่ต้องไปแแห่ใส่ใครหรอกเราก็บอกใจวอย่างนี้แหละเราจะต้องการอย่างนี้พูดกันรู้เรื่องติดขดขนน่ะนี่อย่างนี้มันไม่ถูกอย่างนี้มันไม่ถูกนี้มันผิดอย่างนี้พิจารณาที่ไม่ดึงดันกูก็จะเอาผิดกูก็จะทําฝืนกูก็ทําแบบนี้มันจะเป็นอารยะประเทศได้ยังไง มันจะเป็นอาริยชนได้ยังไงมันก็เป็นพวกม า, มาอะไรพวกมี ม, มีมิลขัดก็เป็นมีรลขัดชนเป็นชนยังดึกตําบรรไม่เจริญมันจะเป็นอาริยกะชนได้งไงนะอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราสามารถโอกาสนี่สามารถมีโอกาสนี้แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็พาทำออกมาชุมนุมออกมาทำออกมาแสดงความจริงที่เรามั่นใจ เพอย่างนี้ถูกหนะ้ะเราก็ยื่นไปแสดงไปพูดไปให้ความรู้ให้ความจริงไปมาร่วมกันนักวิชาการนักรู้อะไรก็แล้วแต่มาเถอะมาร่วมมือกันกน่ากะมาขึ้นตอนนี้เรา ก, กาลังจับปรับเปทีหรือว่าปรับสถานการณ์อยู่ว่ามันกําลังคือคนมาทําเก่าเขาก็ยังมีอะไรค้างๆเขาอยู่แล้วก็ปรับกันตกลงกันเราไม่ได้ไปแย่งนะทำให้เราทําคุณจะทําอยู่เราก็ไม่ว่า จนกว่าคุณจะพอใจหรือว่าจะทำต่อก็ไวหวางกันแต่ถ้าคุณเห็นว่าเอออันนี้ลดเถอะอันนี้เลิกเถอะให้อันนี้ทำเราก็มีพร้อมที่จะทำอะไรไม่ทำก็เอาเราไม่มีคุณมีก็มาร่วมกันอะไรที่เราไม่มีแล้วมันต้องใช้คุณก็มีเอามาร่วมกันอะไรที่เราก็มีคุณก็มีแต่คุณจะไม่ใช้ให้เราใช้เราก็ไม่ว่าแต่ของคุณมาใช้ก็เอาใช้ได้ก็เอาแต่เราไม่มีสตังค์จ้างเราไม่มีสตังค์เช่า เรามีเจดของของเราที่มีเท่าที่มีสตางค์จ้างตังค์เช่าเราไม่มีเพราะเราไม่ไม่รวยจริงๆรงิเราก็ยังเอาใช้เงินเบี้ยงเงินบาทของผู้ที่มาร่วมเพราะต้องใช้ประจําวันเพราะงั้นผู้ที่ใจดีเขาก็มาช่วยอุดหนุนจนเจืออุปการะอยู่บ้างก็ว้ากันไปแต่เราไม่ต้องไปทํำชงช้างต้องประกาศแล้วประกาศอีกต้องใช้จิตวิทยาดึงดูดให้คนมาทำบุญมากๆมาบริจาคมากๆเราก็อาอ่ะ เราอายเราไม่ไม่อยากทําไม่กล้าทำเราก็ทําประมาณนี้ได้สลายเราก็ทําไปเท่าเดียวต่อแรงเท่เามีเนื้อเรามีสลายกระชักเนื้อไปเรื่อยๆหมดเนื้อแล้วก็บอกอเรียกว่าอะไระะเรือบา่าเกินแบกก็บอกแขกให้ช่วยหามอะไรเงี้ยมันเรื้อบ่าเกินแบกใช่ไ่มมันก็ต้องช่วยบอกแขกให้ช่วยแบกช่วยหามน้อยมันก็ต้องก็ทําอย่างงั้นอย่างเงี้เปน็นต้นนะ ว่าในเรื่องที่ตัดจะใช้ตอนนี้อาตมาขยายความแล้วนะว่าถ้าตุลาการที่วัดท่านตุลาการยังช่วยอยู่ก็ขออนุโมทนาสาธุก็ดีก็ขอบคุณแต่เราคงไม่หวังพึ่งสภาไม่หวังพึ่งบริหารแล้วอ่าเราก็หวังพึ่งตุลาการกับประชาชนเพราะฉะนั้นเราเองอยู่ในหน่วยประชาชนจริงเราไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรกับตุลาการตุลาการถ้ามีหน้าที่ท่านมีตาแหน่ง ท่ามีอะไรอยู่ก็ก็ท่านทาเถอะก็ก็อยากจะให้ท่านช่วยอยู่แล้วส่วนทางด้านประชาชนเราเป็นประชาชนเต็มเบา้าเราก็มาทํามณีเต็มที่เรามีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างเราก็ทําตามนิติรัฐนิติธรรมของเราเต็มที่นะพลประชาชนท่านใดที่เห็นด้วยนะก็ขอออกขึ้มาชุมนุมกันนะขอให้มาแสดงคะแนนเสียงความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่อธิบายแล้ว ซึ่งเราก็จะมีแผนกลงทะเบียนน่าจะจะลงกรุณามาบอกชื่อบอกหลักฐานจะได้บันทึกลงไว้นะเพื่ออภิ อ, อภิวัฒน์ประชาธิปไจัยไทยนี่ถ้ามีด้วยลงทะเบียนหลักฐานอะไรแต่ละไปลงด้วยมันก็มีลงทะเบียนว่า ก, กี่รายรายเราใช้นะน ร, รัฐมนตรีก็ให้ใช้เหมือนกันนะเอาไปใช้เป็นประโยชน์อะไรได้ต้นะเราก็จะทําให้มันเจริญรุ่งเรืองได้นะเพราะงั้นนี่คือคร่าวๆที่เราพยายามก็ทํานะ ทีนี้รูปแบบของการชุมนุมของเราก็บอกคร่าวๆรูปแบบนะัขยายควาไมไปเพิ่มเติมว่าหนึ่งเราก็จะต้องสุภาพสงบและเรียบร้อยออกมาชุมนุมเป็นแต่ละคนก็จะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมหรือพฤติไนของเราที่เราแสดงอยู่แสดงออกนะก็จะต้องเป็นผู้สุภาพสงบและก็เรียบร้อยนะไม่มีความรุนแรงนะ เสนอนะไม่มีความรุนแรงนี่กว่าสองข้อหนึ่งนั่นะคือสภาพสงบและเรียบร้อยข้อสองไม่มีความรุนแรงต้องพยายามระมัดระวังเลยอะไรจะเป็นก่อให้เกิดความรุนแรงต้องช่วยกันยายาต่อแล้วมันจะก่อแล้วต้องช่วยกันช่วยกันระงับอย่าให้มันเกิดความรุนแรงนะสามเสนอความรู้และความจริงนะเสนอความรู้และความจริงสไม่หยาบไม่ผิด ส่วนคุณจะกล่าวจะอธิบายจะนำเสนออย่างไรจะกล่าวคำแรงคำดังเสียงดังเท่าใดขัดคอไม่แตกของคุณไม่แตกคุณทำไปเลยไม่ว่านะจะแรงก็ไม่ว่าดังก็ไม่ว่านะคุณจะพูดแรงดั ง, ง, งไม่ว่าอา้าวไว้เลยถ้าไม่เจ็บคอเองถ้าคอไม่แตกเองก็ทำไปนะแต่อย่าผิดยาหยาส่วนจะแรงจะ ดังยังไงนิมนนิมนไม่ขัดข้องเท่าไรก็ได้แต่คุณจะเห็นควรแต่ก็ไม่อยากจะให้คอคุณแตกหรอกไม่อยากให้คอคุณพังหรอกก็สังวนสงวนไม่น่อยเอาพอประมาณเพราะงั้นก็ต้องรู้จักพอประมาณทีนี้เป้าหมายของการชุมนุมของเราคืออะไรเป้าหมายของเราก็คือไม่มุ่งหาปริมาณเป็นเอก ฟังดีๆนะเราไม่ได้มาหาบริวารเราไม่ได้าหามาหาคนนับถือตามหลักพระพุทธเจ้าเลยแต่ได้ก็ดีใช่ไหมล่ะถ้าได้ที่ควรด้วยแวะนิดนึงตรงนี้เนะี่ยมีคนเข้ามารวนเหมือนกันนะแอบแฝงแปลงตัวมาแล้วก็มาทำาเอาไปลงเฟซบุ๊กเยาะๆาแยา่ๆทำท่าทีาทอะไรจะอะไรมีนะช่วยกันดูแลป้องกันนะมีตัวรวนตัวยวน ตัวเข้าแฝงตัวเข้ามาแล้วก็มาทําอะไรอะไรไว้แล้วก็ทํำตาตีส่งซิกแนนไปหาพวกฝ่ายแดงแล้วก็โอ้แล้วไปลงเฟซบุ๊กก่าฮิ้โหหิ้อะไรกันมันมีแบบนี้อยู่เหมือนกันก็ดูก็ดูกันอย่างสุภาพนะก็ดูเขาจะจับได้ก็เขาคอยบอกกันอะไรกันแล้วก็ใช้ความเ ฉ, ฉลาดฉลาดมั่งนะใช้กลวิธีเพื่อที่จะทําให้เขาอย่าทําหรือไม่เขาเางดไปหรือเขาออกไปอะไรนี้ก็เคอยช่วยกันแต่ไม่ใช่ไปทํารุนแรงกันอถ้าเขาจะทำํำเราก็ต้อง ปรับไอสิ่งที่เข้ามาทํานั้นให้มันเป็นสิ่งที่มันกลับไปดีหาเราอะไรนี่ด้วยต้องฉลาดแบบนี้ดูนะกลับไปต้องเก่าเป้าหมายของการชุมนมหนึ่งเราไม่มุ่งหาปริมาณมากแต่มากก็ได้เราไม่มุ่งหาปริมาณมากเป็นเองนะแต่มีปริมาณมากแสดงออกมากๆเท่าไหร่ควรจะแสดงความเป็นประชาธิปไตยมากเท่านั้นสองแสดงคุณภาพหนึ่งไม่ใช่ไปหาปริมาณแต่ให้แสดงคุณภาพ องความเป็นประชาธิปไตยเพขอะคนที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยมีหลักสิบเอ็ดไปสิบอย่างที่อธิมาพูไปแล้วบางที่มีเวลาจะพูดอีกวันนี้นะประชาธิปไตยคืออะไรอย่างไรต้องให้มีคุณภาพของเป็นความประชาความเป็นประชาธิปไตยสรุปง่ายๆคือจิตมีธรรมะจิตของประชาธิปไตยจิตต้องมีธรรมะสเพื่อมาแสดงสิทธ ร่วมชุมนุมกันสามมาแสดงสิทธิ์ร่วมชุมนุมกันยืนยันอำนาจอธิปไตยของมวลประชาชนมารวมประชุมกันนะเพื่อแสดงสิทธิร่วมชุมนุมกันสี่ไม่มุ่งหมายชนะหรือแพ้ไม่มุ่งหมายชนะหรือแพ้แสดงความรู้ความจริงไปให้ความรู้ความจริงเป็นตัวตัดสินปรากฏอัตมาเชื่อมั่นในสิ่งนี้ ว่าสิ่งนี้เป็นเลิศเป็นยอดเพราะมันจะเป็นการพิสูจน์ที่บ่งว่าสังคมนี้สังคมประเทศไทยจเจริญหรื อ, อยังถ้าสังคมประเทศไทยจเจริญก็ใช้ความรู้ความจริงเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่ไปใช้ความรู้ความจริงด้วยกําลังบังชาด้วยอํานาจกดขม่มกดขี่ดูถูกดูแคลนอํานาจบาดใหญ่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะั่นยังยังเถื่อนอยู่ยังไม่จเจริญแท้ จเจริญแท้ต้องเอาความรู้ความจริงที่ชัดเจนว่าเอ้ยนี่เขาถูกต้องนี่ดีสุดอันนี้ต้องให้ชนะต้องให้คนนี้ดำเนินการต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องเป็นฉชนนั้นเพราะฉะนั้นสี่เราไม่มุ่งหมายเอาแพ้เอาชนะอะไรทำไปตามความจริงนั้นจงกว่า ม, มันจะเกิดผลก็มันจริงๆออกมาเองห้าเอาวิถีชีวิตความเป็นสาธารณะโภคี ม, มาแสดงให้ได้ชัดเจนและเป็นจริงมากที่สุดชีวิต วิถีชีวิตของความเป็นสาธารณโภกีคืออะไรความเป็นประชาธิปไตยนี่คือสาธารณโภคีสุดยอดสูงกว่าคอมมิวนิสต์สังคมนิยมแน่นอนสูงกว่าเผด็จ ก, การแน่นอนอยู่แล้วสูงกว่าประชาธิปไตยสามมันมันเป็นยอดของประชาธิปไตยมันเป็นยอดของประชาธิปไตยสรุปตรงไปปลายให้ฟัง ง, ง่ายๆสาธารณโภคีนี่คือ สังคมคมวลน่ะสังคมนิยมยอดโดยประชากรยอมสละภาษีสละเงินรายได้ส่วนตัวเข้ากองกลางหมดเลยว่าเสียภาษีร้อยเปเโดยเต็มใจไม่เหมือนคอมมินิตคอมมินิตนั้นออกกฎหมายมาบังคับคนนี้ได้เท่านี้รายได้เท่านี้เอาเท่านี้เอาทเอาท่านี้เป็นการแบ่งเอาผู้ที่มีมากได้มากเข้ามามากๆแรง แรงขอประชาธิปไตยคอมมอนิสต์เนี่ยดึงกฎหมายเขาจะเอาจากประชาชนผู้ก็มันก็จริงอนะมันก็ถูกอยู่เหมือนกันคนที่สามารถมากคนที่เก่งนะคนที่รายไ ด, ไ, ดได้เยอะขอแบ่งขอมาให้ช่วยกองกลางมากๆซึ่งก็เป็นเป็นบุญของเขาเป็นคุณของเขาเป็นกุศลของเขานะเป็นคุณค่าของเขานะแต่คนเราคิดเหนียวของตัวเองอะมันไม่ค่อยอยากให้ มันต่างกันเกอดของสาวตะรัปคีหรือมีธรรมะโดยเฉพาะโลกุตตรธรรมไม่ได้ห่วงแหนไม่ได้มีตัวของตัวสละเพื่อส่วนรวมแล้วเราก็อาศัยกินอาศัยใช้กับของกลางเราเป็นคนกินน้อยใช้น้อยแต่ทางานมากแล้วอยู่กัสังคมนี้สบายจิตของเรามากน้อยสัโดแล้วเราก็น้อยกินน้อยใช้น้อยแต่เราทํางานมากเกินกินเกินใช้รัวเยอะแล้วเราก็ทําได้มากเราก็เข้าใจ มีเหลือเท่าไหร่เราก็ให้ประชาชนให้ส่วนกลางเข้าไปเยอะๆเยอะๆเลยมันไม่ได้เป็นความเลวทรามอะไรี่หนิแต่ความดีงามเราก็ทําเต็มที่เพราะเรามีปัญญาเรารู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะกิเลสเราลดลงมันไม่มีกิเลสมันก็ทําอย่างนี้เพราะมันเป็นกําลังแห่งสัจจะมันเป็นกําลังปัญญามันเป็นกําลังวิรยิยะมันก็เป็นกําลังที่ทํางานนั้นเป็นคุณค่าเป็นการงานอันไม่มีโทษอนัตวะชะ และมก็ทำงานมีกำลังแห่งการช่เชืือกเกื้อ ก, กูลเสียสละช่วยมวลชนสังะหะเป็นกำลังสีลตรงกับของพระเจ้าแป๊ดเลยพิสูจนได้ยืนยันได้เลย อ, อย่างนี้เป็นต้นพรนการที่จะออกไปทำงานเป็นสาธารณโปกีไปออกไปเอาวิถีชีวิตความเป็นสาธารณโปกีออกไปสแสดงนี่ก็คือเอาอไปให้ประชาชนเห็น รู้ที่เอาไปแสดงพร่อเราพอเราทําได้ชาวโซเราทําได้แม้จะยังไม่งามแงะยังไม่ประเสริฐเลิศเลยทําได้อย่างนี้แนหะจุ๋มจิ๋มขนาดที่เราทําได้นี่แหละเราก็ยังภาคภูมิในตัวเราเราอยากทําได้ดีกว่านี้นะแต่วิสัยเรามีเท่านี้มันสุดวิสัยเราแล้วแต่ภาคเพียนอยู่นะพยายามภาคเพียนขึ้นช่วยกันช่วยกันช่วยกันให้ดียิ่งขึ้นนะให้เป็น คุณธรรมไม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นการแสดงวิธีสาธาลัโภคีนี่คือทุกอย่างเป็นส่วนกลางช่วยกันช่วยกันคนลไม้คนลมือจิตใจไม่มีกิเลสไม่มีความรุนแรงไม่มีใครไม่มีการกดเขื่องไม่มีโรลค ก, กลดล้สรุงไปได้หายอดท้องเป่าไม้หลักไม่โรค ก, กลดล้มที่สุดทำกันไปเลยนี่อาตมาก็ยังมั่นใจว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธสิ่งเหล่านี้จะปราดกฏขึ้น อย่างน้อยมันมีเขามันมีมูลมันมีสิ่งที่ปรากฏได้เป็นไปได้แม้ขั้นสาธารณโปรคีอย่างที่ว่าเนี่ยยังไม่งามแง่เท่าไหร่ก็ตามถ้ามาช่วยทำให้มันงามเงี้ยให้มันหมดขี้มูกขี่ตาเกล็กลางกันแมมันดูหน้าดูตอนนี้มันเหมือนเด็กๆที่มูกที่าุกกลตาเกล็กลางกลางอยู่เอามาให้มันดูแม่ก็ค่อยผ่องใส่ค่อยดูเออนิ่มก็กระนวลอะไร มาตามลำดับตามลำดับแต่งตั้งขึ้นมาบ้างมาช่วยกัน น, นี่คือเป้าหมายของการชุมนุมน <c oughs> ราระการชุมนุมในเรื่องของการออกไปทํางานอันนี้เนี่ยอาตมาก็ขอสาธยายคร่าวๆตามวิธีการและนโยบายะจะเรียกยุทธศาสตร์ยุทธการอะไรก็ตามใจล ะ, ละในเราก็ทําไปยุทธวิธียุทธการยุทธศาสตร์ตรตรอะไรก็นบา้บากันไป เพราะงั้นเราในการที่จะไปชุมนุมกันคราวนี้นี่ก็พูดเกี่ยวกเรื่องปัจจุบันคราวนี้เนี่ยประเด็นก็รู้กันอยู่แล้วรเราไม่เห็นด้วยในการที่จะออกกฎหมายล้มล้างหรือออกกฎหมายจะใช้คําเพาะๆๆปลองดองนี่ก็ตามมันไม่ได้ปลองดองปลองแดงอะไรพราะคุณทําเองสร้างเองกําหนดเองปลอง g เปิงนี่อะไรไม่ได้มีการ เข้ามาให้ประชาชนรับรู้มีอะไรนะใช้ผ่านประชาพิจารณ์อะไรตนะ่างๆนะมันไม่ได้มีอะไรเลยคุณร่างขึ้นมาแล้วคุณก็จะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็มุกมิกกันผลิต ก, การทางสภาคุณก็อํานาจเสียงของสภา ต, ตัดสินเอาแล้วก็วิบเก่งด้วยนะแต่ไม่เอาระวังนะไม่ได้เงินรายได้พิเศษไม่ได้อะไรๆๆนะคือมันมีอํานาจใช้วิธีการวงนี้แต่กลเม็ดเด็ดพลาย ถ้ามันไม่ตรงมันไม่ซื่อสัตย์มันไม่บริสุทธิ์มันไม่ได้เรื่องเลยสรุปแล้วไม่ได้เรื่องเลยขออภัยอาตมาพูดสัจจะความจริงไม่ได้ไปลงโทษลงโพยอะไรหรอกมันไม่ดีก็ไม่ดีมันไม่ถูกก็ไม่ถูกนะถ้ามันไม่เข้าท่าถ้ามันจะเป็นสภาที่มีคะแนนเสียงข้างมากเป็นประเด็นการทางสภาก็ไม่ว่าแต่ สมาชิกสภานั้นต้องเป็นคนมีคุณธรรมพิเศษเลยจริงๆไม่มีอังคติและทำเพื่อประชาชนจริงๆคุณจะเผด็จ ก, การทางสภายางไงคุณเผด็จ ก, การไปเลยอาตมาว่าสังคมจะปร ะ, ประเทศชาติจะเลิศเลยสุขสําราบานตไทยเลยใช่ไหมอันนี้มันไม่เป็นเช่นว่านี่มันไม่เป็นอย่างนี้มันกลายไปเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่ตําตาไม่ใช่วัาตาบอดตาห่วก อาตาเราทั้งไม่บอดทั้งไม่นวงนะตาเรานี่ไม่พิการทางประสาทนะอไม่บอดไม่นวงนะตาเราอะเราก็เห็นอยู่หูก็ได้ยินนะ อ, อเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดที่ฟังอยู่ผู้ใดที่รับทราบอยู่มาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยไทยมาเถอะมาช่วยกันสร้าง สรุปอีกย้ำอีกแผ่นเสียงตงร่องอีกหนึ่งคนหนึ่งเสียงออกมารวมกันเลยเท่าไหรก็เท่านั้นนะ่ะออกมาคุณมีเวลาน้อยก็มามาน้อ ย, อยคุณมีเวลามากขึ้นเอาเท่าที่มากได้มีเวลาเท่าไหรก็มารวมตัวกันให้เห็นตั้งแต่วินาทีนี้วันนี้ไปเรื่อยๆมารวมทมวลเนี่ยให้เขานับคะแนนไป เ, เวลานี้18นาฬิกา56นาทีมีเท่านีา้ต่อไปให้เขารายงานเลย18นาฬกา57นาทีมีเท่านี้ 18นาิกา58นาทีมีเท่านี้18นาฬิกา59นาทีมีเท่านี้รายงานไปเลยมานับหัวเลยจะออกจะเข้าเท่าไหร่ก็ร า, ายงานไปมันก็จะเข้ามั่งออกมั่งเข้ามั่งออกมั่งตามคเป็นจริงคนเราจะมีโอกาสทั้งหมดมันไม่ได้มันต้องมีทุระส่วนตัวมันต้องมีกิจมีการมีอะไรบ้างใครมีเวลาเต็มอยู่เต็มอโศกล้วหลายผู้หลายคนอยู่เต็มหรือว่าหลายผู้หลายคนที่ไม่ใช่อโศกอยู่เต็มดูไป ถอกให้กินมีกินดินมีเดินตะวันมีสองมีร้องมีเสร็จนี่เตรียมตัวเอาเส่อมมาตั้งนี่ยังไม่รู้แต่เสื่อมที่ส่วนรุปเขานี่เขามีเยะพอสมควรมันเป็พอใช้ได้อ่าอาจจะไม่ต้องใช้เราเรีย ก, สกเสื่อมของเราชื่ออะไรนะต้องชื่อไว้ลืมแล้วเสื่อมเสื่อมรุ่งรุ่งอะไรน ะ, ะฮะฮะพราวสายรุง่งอ่าพราวสีรุ่งหรือพราวสายรุง่งพราสีรุง่ง อ่าส้วมพราวสีรุ้งเราส้วมมันมีสีฉูดฉาดหลายสีมากเลยแตกเลยนะเขียวแดงเหลืองน้ำม่วงอะไรเลยโอ้โหส้วมของเราสีมันคือไปซื้อไปพร่องพวกนี้มเข้ามาแล้วก็มาประกอบเข่าเห็นน่าสะดุดตาเลยอ่าแล้วส้วมส้มเคลื่อนที่ได้ละอ่าแล้วก็ยังง่ายอ่ะยังง่ายแล้วก็ทําอ่าถ้ามันไม่พอเราก็ทําขึ้นคือเราเองเราเข้าใจว่า ในสังคมมนุษยชาตินีเราจะทําอะไรกับเขาและเราก็รู้ว่างานอย่างนี้ในคนก็ไม่ค่อยจะทําเก็บขยะ ก, กวาดทาสะอาดสะเอิดอะไรต่างๆนานารับรองขี้ขี้เหี่ยวเยยวเขาเนี่ยเราไปทิ้งไปดูแลอะไรนะคนมันไม่ค่อยอยากทําหรอกแต่แเราก็เราทำเพราะได้เราก็ทําเถอะก็ไม่ใช่เราอยาก ท, ทําทีเดียวแตเ่เราก็เห็นว่าสมควรจะต้องทอําอ่ะ เราก็ต้องทำเพราะงั้นใครมาร่วมด้วยกบอนโมทนาใครที่อจะมาเสียสละร่วมมือกันเราก็ทำมันเป็นความเรียบร้อยของสังคมมันเป็นความจำเป็นใช่ไหมมันเป็นความจานนที่จะต้องทำเราก็ใช้ปัญญาเราก็ไม่ใช้ทำไปโดยงมงายเพราะงั้นเราก็พยายามทาเพราะตอนนี้เนี่เราก็เลยคิดว่าเรามันเป็นเรื่องราวนี่มันจะต่อยาวไปเราไม่เห็นด้วยจริงๆว่าจะ ทำกฎหมายนี้ออกมาเพื่อที่จะเอามาใช้มันไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดไม่ถูกต้องไม่เห็นสมควรเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นด้วยออกมาหนึ่งคนหนึ่งเสียงรอยคนนั้นเสียงลายขอนนเสียงมาถ้าย่อยมากออกมาได้กี่เวลากุมจะได้อยู่นานเท่าไหรก็มาเราก็จะหาสถานที่และจะตํานวยความสะดวกเท่าที่จะทําได้ตามเดี่ยวตามแรงพวกเราก็ต่างคนต่างเสียสละพวกคุณก็เสียสละไม่สุขสบายนักก็มาพวกเราก็เท่าที่เราพวกเราก็ฝึกความ อยู่กันยังไม่ต้องไปเหลอเลิศอะไรอยู่กันยังถูกถักอยู่กันยังพวกนี้เราก็ฝึกกันมาแล้วออกสนามกันมาฝึกกันมาด้วยชีวิตเพราะเราลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตลอดพระชมชีพ4ี่สบห้าพรรษาท่านนอนกลางดินกินกลางทรายมาตลอดพระชมชีพ 45, สาสท่านเป็นผู้ดีนะท่านเป็นคนท่านเป็นเจ้านะเป็นเจ้ามีชีวิตอยู่ ถูกประคบปงมถูกดูแลมาใช้ชีวิตมาตลอดพระชนชีพอยู่ในปร า, าสาทสามฤดูริ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมคนเจ็บไม่เคยให้เห็นคนป่วยไม่เคยให้เห็นคนตายไม่เคยให้เห็นคนแก่ยังไม่เคยให้เห็นเลยมีแต่ความพร้อมพลั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ในอะไรแต่ต่างๆถูกครอบงำต่างๆนาน า, นามากมาย คุณคิดดูสิคนที่จะต้องถูกกระทบผมสร้างแบบนี้แน้วท่นก็ออกมาใช้ชีวิตอย่างโอ้โหนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่กับศพอยู่กับป่าช้าอยู่กับดงกับป่าอยู่กับเขาลำาเนาไพรอิดหินดินปูนอะไรต่างๆ น, นานะไม่ได้มีปราสาทที่มาไวมันบรรจัดถอนอะไรเลยแม่แต่ ฉลองพระบาทก็ไม่ยอมทง่งแม่ฟุตคอนเทสซอรแม่แต่พระบาทก็ไม่มีฉลองพระบาทท่านฉลองพระบาทด้วยรองเท้าทองคำนะจ๊ะแต่ท่านออกมาใช้ชีวิตในประชนชีพสี่สิบห้าปีสี่บห้าพรรษา ตลอดไม่ใส่ฉลองพระบาทเลยต้องคิดต้องสำนึกต้องพยายามเข้าใจความเป็นจริงของมนุษย์ชาติที่านเสสละขนาดไหนท่านเป็นเจ้าเป็นนายท่านอยู่โหเราจะใช้สำนวนเช่นท่านเป็นผู้ดีตีนแดงแตะแคงตีนเดินมีอ่าอ่กุลบุตรที่ แบบผู้ดีอย่างนี้อยู่มาเจ้านี่แหละมามาบวชด้วยคนหนึ่งองค์หนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ตีนแดงจริงๆเดินโอ้โหถอดพระบาทถอดรองพระบาทถอดฉลองพระบาทเนี่ยถอดรองเท้าเดินแบะฟุตเนี่ยเดินเท้าเปล่าเนี่ยตีนแตกเลือดไหลคือเท้าท่านนิ่มจนกระทั่งเขาบอกว่าขนขึ้น มันนิ่มมันจะขนขึ้นเป็นที่ตร่มอยู่ตรงกระทั้งนะจะแล้วมาเดินพระบาทเปล่าเท้าแตกภิกษุก็สงสารที่สูเห็นด้วยสงสารมากโอ้ก็ไปขอร้องพระพุทธเจ้าไปทูลว่าท่านองนี้เป็นสุขมรชาติเป็นคนผู้ดีตีนแดงเนี่ยสุขมรชาติท่านสุดทนและท่านสู้ท่านสู้แล้วแต่ว่าเราเห็นใจท่านน่ะ ขอให้ท่านใส่รองเท้าเถอะคือพราะภิกษุนี่เขาไม่ใส่รองเท้ากันนะเ้าไม่ใส่รองเท้าพระพุทธเจาทมยุทธนี่เขาเข้่งเขาไม่ใส่รองเท้ า, า, รร เ, ขา เ, เขาไม่ใส่ร อ, องเท้ากันหรอกนะแต่ที่จริงทุกวันนี้ก็ใส่กันโอโ้โหใส่ยังเรียกว่าเอาละไม่ต้องพูดมากอ้าวทีนี้เมื่อรองเท้มามื่อเท้าแตกก็ไปขอพระเจ้ า, จาพระทธเจ้าก็บอกว่าอ้าเราอนุโลมให้ใส่รองเท้าได้สําหรับมันเป็นเหตุการณ์สําคัญจําเป็นก็อนุ ญ, ญาต ใช้ใบไม้นะทำรองเท้าใบไม้ชั้นเดียวนะอย่าใช้ใบไม้สองชั้นรองก็ไม่ให้โอ้โหกระดูกมากเลยพระพุทธเจ้านี่ข <c oughs> รายชะอนุญาตใบไม้ชั้นเดียวอ่าให้ไปใช้อ่าอันนี้เขาเจอคนเจอพระสูตรนี่แล้วนะสุคุมารชาตินะ เสร็จแล้วเพื่อนภิกษุที่มาขออนุญาตพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ดีใจกลับไปบอกท่านองนี้ชื่ออะไรท่านชื่ออะไรท่านนะปาอะไรไอ้าวเมื่อ ก, กี้นี่ก็เห็นจะหาไม่เจอแล้วเมื่อ ก, กี้นะสุคุมาลชาติะนะพระโซนนะเลยพระโซนะสุคุมาลชาติเธอในตระกูลสูงมีอยู่หลายมีอยู่หลายคนหลายองค์่ะองค์นี้ก็เป็นอย่างนี้ประวัติ พอเอาไปกลับไปบอกท่านเพื่อนภิกษุบอกว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วให้ใส่รองเท้าให้แจ่สรองเท้าเอาเอาไม้ในใบไม้อะไรก็ไปเลือกเอาใบไม้เหนียวๆคงทนแข็งๆดีๆมาแต่ต้องใบเดียวนะไม่เอาให้ไม่เอาสองใบนะเอาไม่ให้รองสองใบให้รองใบเดียวมาบอกท่านท่านไดฟังแล้วท่านก็โอ้แม่เป็นบุญเป็นบุญคุณอย่างยิ่งทีพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตแต่ท่านก็บอก ท่านจะพยายามท่านจะไม่ยอมใส่รองเทา้านี่อ้ยเป็นไงได้ทนลําบากได้อาคับซาบซึงมั้งไหมครับเนี่ยคนเรานะเพราะในยุคพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างสงฆ์ต่างๆท่านเป็นตัวอย่างเศรษฐีมาถึงป่า น, นี้แล้วน่ยที่เจอโสนะโกลิวิสัทอาพระเป็นลูกเศรษฐี นะสุขมมาราชาเศรษฐีบุตรโซนันะโกลิวิสะนะ่ะเอาละเนี่ยเอาเอาต้องหาหาบทดีๆคุณตรวจนะ่ะนี่ยอาตมาพูดไปคุณก็ตรวจตามน่ะน่นะเอาละอากมาก็เล่านิทานไม่ใช่นิทานเราเป็นตำนานเป็นเรื่องจริงเนี่เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติของ อ, องคพระพุทธเจ้ามานะ ที่เล่าให้ไปประกอบให้ฟังเนี่ยว่าคนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่การศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนบรรจาส่งเราเนี่ยนะสมณฑก็ดีสิก็มากก็ดีไม่ได้ใส่รอ ง, ง, ง, ง, งเท้ารองเท้าอะไรหรอกแล้วจะใส่ก็ใส่เวลาที่ทํางานอยู่อะไรที่จําเป็นเป็นครั้งเป็นคราวแต่ปะกะติก็ไม่ใส่โดยเฉพาะอาตมาเนี่ยมันใสรองเท้าไม่ค่อยไหวแล้วเดี๋ยวนี้ใส่ที่ไรมันกัดหมดเลยเอ๊ะทำไมมันทะเลาะกับเท้าอะไหมดเล ย, มเลยไม่ว่าคู่ไหนก็กัดเขาก็หาคู่ดีๆราคามันแพงมาให้ใส่ กัทั้งนั้นเลยนะแต่มันก็เอาต้องจําเป็นต้องใส่บางทีเข้าไปลุยในที่ที่มันต้องมีน้ํามีไหนมีอะไรอะไรต่างๆนานาก็จําเป็นก็ใส่บ้างใส่ออกมาแล้วปรากฏว่าอ้าวมันกลับเท้าเราซะแล้วเราก็เลยโอ้ทาไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ใส่นะใส่แล้วก็ไม่สบายใส่แล้วมันก็ไม่สะดวกะมันก็เหมือนมีอะไรเกินอยู่ในเท้าเราใช่ไหม ปกติเราไม่มีแล้วมาตั้งหลายสิบปีอาตมาไม่ใส่รองเท้ามาตั้งแต่เป็นคารวาปฏิบัติจะมาเป็นสมณบุตรมาสี่สิบกว่าปีเป็นคารวาสกปฏิบัติไม่ใส่รองเท้ามาก่อนตั้งแต่เป็นดารานี่ยอาตมาไม่ใส่รองเท้าดารานะหัวโปกอีสานเขาเรียกหัวโปกหัวโรนเนี่ยหัวโลนนี่โกนหัวโกนเองแต่ตอนโกนตอนนั้นเราก็ใช้ปัตตาเลี่ยน ปัตเตเลี่ยนไฟฟ้าเนี่ยมีตังไงตอนนั้นยังมีตังก็ซื้อปัตเตอเลี่ยนไทยเองต่อมาก็ใช่ไปโกนหัดโกนเองแล้วก็โกนเองมาแต่นั่นแต่ไรตอนนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่มีเวลาแม้แต่โกนหัวเองก็ยังไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ก็เลยทํางานไปอัตมาก็าทำไจริงๆเลยเนียไม่ได้แกล้งเลยงานก็ทําไปทานทิโกนหัวให้ก็โกนไปอัตมาก็ทํางานก็อัตมาไปท่านก็โกนนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแกล้งพูดเอาโชว์เอาโก้โอเคอะไรเลย ท่านก็กระไลท่านก็เข้าใจเข้าใจนะท่านที่ผู้ช่วยอัตมาอยู่นี่ท่านก็รู้ท่าก็ทำเลยอ้าวถึงเวลาจะโกนหัวท่านก็ไม่ไม่ฟังเสียงอะไรแล้วท่านก็เอาเครื่องโกนมาอัตมาทํางานไปก็ตัดแจงท่านก็โกนเลยอัตมาก็ปล่อยให้ท่านโกนไปก็เรียบร้อยอัตมาก็เสีเวลาไปเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยแต่ก่อนนี่สี่สิกระเปีก็โกนหัวเองมาตลอดนะไม่ได้ไม่ได้ให้ใครโกนนะนอกจากป่วยโอ้ยจำไม่ไมัมีอยู่บางครั้งหนึ่งครั้งหรือ2ก็ไม่รู้ไม่ดึกก็โกนเองอ่ะ มันไม่จําเป็นอะไรจะให้คนอื่นโกนก็โกนไปอ่ามันบาดหัวมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะก็โกนจะมีโกนใหม่ใหมนี่นะโอ้โหใบไอ้บไอ้คบคมสมัยใหม่นี่นะโอ้โออมม ห, ร ะ, หระวังขนาดไหนมันก็ชาดอ่าเลือดไหลเป็นแผล ม, มีอ่าก็ไม่ว่ากันก็นว่ากันไปนางคนก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็โกนเสร็จก็ถูด้วยอ่า ทางเจระเข้หวานทางเจระเข้เป็นเป็นอันนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ใช้อย่างนั้นมาตลอดตั้งไม่รู้กี่ปีตั้งกี่ปีนะจนตอนนี้เวลาจะโกนหัวก็ไม่มีก็เลยต้องให้คนอื่นโกนนะโอ้เอาละมันเล่าสนตัวมากไว้นักเดียรนะอ่ะเอาเข้าเรื่องเมื่อผู้ใดไ ด, ได้ฝึกฝนตนเป็นผู้ที่ทำทาตนให้เป็นผู้ที่มัดน้อยสันโดษ อดทนได้โดยไม่ต้องอดทนอย่างตมานี่ไม่ใส่รองเท้าไม่ให้เราต้องอดต้องทนอะไรไปใส่รองเท้าดีต้องอดต้องทนมันกลับกันหมดแล้วกินมือเดียวสบายจะให้กินสองมือสามือต้องอดต้องทนตายเลยโอ้ตายตายตายมันยากแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแกล้งนี่ไม่ใช่เรื่องเสแสร้งอะไรเลยนะยี้เป็นต้นนะเพราะเมื่อผู้ใดฝึกฝนดีก็จะมาได้ทําได้เพราะพวกเรานี่ยชาวโซออกไปทํางานพวกนี้เราก็ฝึกฝนแล้วก็ช่วย ทำอะไรจ ะ, ะ ไ, รได้อาตมาว่าเราจะมีคนอย่างนี่ละกอบกู้สังคมเสียสละเป็นคนอดทนโดยที่เรียกว่ามันก็ไม่ต้องทนหรอกไม่ต้องอดทนอะไรมันได้โดยอัตโนมัติแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วมันเป็นตัทธตาก็มันไปเรื่อยเรืยรืยรืยแล้วมันก็เป็นคนชนิดนี้ไปเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาตมามั่นใจแล้วก็ตั้งใจและภาคภูมิใจด้วย ที่เราสามารถพิสูจน์ความจริงอันนี้ขึ้นไปได้ได้ได้ได้ได้ได้ไดแล้วอาตมาก็ยังมั่นใจว่าคนชนิดนี้จะเป็นคนช่วยโลกโลกาโนกัมปายะคนชนิดแน่ละ่ะช่วยโลกเพราะเราไม่ได้ไปทําอะไรเอาจากโลกใช่ไหมเราไม่ได้ไปทําอะไรเราเพืเจ่จะไปเอาลาบเอายศยเอเสันเซินแม้แต่เอาเด่นเอาดังเอาหน้าเอาตา เราก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยจิตเราลามกนะเราไม่อยากเอาหน้าอยากได้หน้าได้ตาอยากเอาเด่นเอาดังอยากแหมงนอย่างงี้อยากเด่นดังโชว์ออฟอะไรเ ร, เรารู้เรารู้จิตอา่านจิตเป็นอย่างนี้เป็นสาเถตุจิตโออวด อ, อยากแหมเป็นโก้ดังอะไรเราต้องอ่านจิตเราเป็นแล้วเราก็ต้องหยุดอย่าไม่ออกมาทางกายกรรมวิจีกรรม ยาให้มันเกิดที่จิตมันเป็นอกุศลจิตต้องจัดการอาตมาศึกษาแล้วก็ทาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติประพฤติกาจัดกิเลสพวกนี้จริงๆนี่ต้องต้อ ง, ต, องต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทำจริงให้ได้จริงๆถ้าได้จริงแล้วมันก็ได้ได้แล้วใครจะว่าไม่ได้ก็ฉันเขาเถอะแล้วได้จริงแล้วเขาจะแกลงงงยางงี้ก็ว่าไปเขาจะพูดยังไงไม่ให้ตาย จิตของเรามันดีแล้วมันมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลไปเพราะคนมาว่าโอ้ยไม่มีใช่ละอาจะมาว่าไม่มีเดินไปไม่ได้นะอ่าทีนี้การไปชุมนุมคราวนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ของสังคมทางการเมืองทางสภาทางอะไรเขาก็จะต้องอะไรไปอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฟังแล้วก็จะต้องดู ตอนนี้นี่พวกเราเนี่ยทำงานมีสูตรนั่สูตรสําคัญสูตรอาตมาชื่อสูตรนั่นชื่อว่าดูไปสูตรดูไปอย่าไปตัดหางตัปอนะอย่าไปตัดหางตัปอสูตรดูไปก็ดูไปเรื่อยๆดูเหตุปัจจัยดูเหตุการณ์ดูอะไรไปแล้วก็เอาสิ่งจริงที่เกิดตามเวลามันดาเนินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ทํา ทำตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดไปแต่ระยะเวลาระยะเวลาอ่เพราะงั้นมันก็จะมีกรรมกิริยาของคนทำอันโน้นทําอันนี้เราก็จะดูเออทําอย่างงี้เราเออเราจะต้องแก่อย่างนี้ทํางนี้เราแก้อย่างนี้อันนี้ดีสนับสนุนอันนี้ไม่ดีเราก็ทวงก็ต้านเราก็ต้องทําอย่างงั้นอ่ะเพราะตอนนี้เราก็มาทํางานกับสังคมแบบนี้นเราก็จะทําที่นี้เหตุการณ์ขณะนี้มันอยู่ในเดือนสิงหาคม เราก็ยังคิดว่างานนี่มันคงจะยืดยาวไปอีกกี่วันไม่รู้เราก็จะต้องเตรียมงานเราก็เตรียมไปตอนนี้เราลงมือแล้วเราก็เตรียมงานมาช่วยกันคนชาเาสศกทุกคนในประเทศไทยใครอยู่ในรูไหนก็ออกจากรูมาอ้าคือพูดให้มันแรงหน่อยสําหรับพวกเราสำหรับพวกเร า, ารเราชื่อหลบนักนสบายนี่อมดอยู่ในรูน ออกมาช่วยกันนะตอนนี้เราต้องการรูปความร่วมไม้ร่วมมือเรายิ่งน้อยเรายิ่งเป็นคนไม่มากนะมาช่วยกันนะพร่างกายที่จะอยากมาร่วมช่วยกันและก็มาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยก็เชิญนะยินดีจริงๆนะเวลคอมเวลคอมนะไม่ใช่เวียนกรรมนะเวลคอมนะเวลคอมช่วยมากันนะเราก็เลยเราก็กะงานกันว่าจะทําอย่างนี้เป็นข่าวดีข่าวด่วนเลยนะ วันที่ส2บสองวันอะไร1 2บสองสิงหาคมวันแม่เรารู้กันดีประเทศไทยเราตัวนี้วันแม่คือวันที่สิบสสิงหาคมเพราะเราจะได้มีจัดกิจกรรมพิเศษกันที่สวนลุมพินีเลยเราจะกิจกรรมพิเศษกิจกิจกรรมพิเศษหนึ่งจะมีตลาดอาริยะโอ้โหว้าวเลยนะ ว่าทัานสมัยจังเลยว้าวเนืองจะมีตลาดอรีย์สองจะมีโรงบุญมังสวิรัตอันนี้ไม่ว้าวแล้วอไม่ว้าวกันเนาะอันนี้มันทำไมเราโรงบุญไม่ว้าวได้ไงเพราะงั้นใครจะมาตั้งโรงบุญแจ้งมาด่วนชาวโศกหรือไม่ชาวอโศกก็ตามประสงค์จะมาร่วมมือแจ้งมาได้ ที่ต้อยปลูกขวันจำไว้เบอร์โทรศัพท์คือต้อยปลูกขัญโทรศัพท์0865596925ฟองให้ดีอีกทีหนึง่งเบอร์โทรศัพท์ถึงคุณปลูกขวันชื่อเล่นก็ชื่อต้อย ชื่อจริงก็ชื่อปลูกขวัญโทรศัพท์ศูนย์แปดหกห้าห้าเก้าหกเก้าสองห้ากิจกรรมพิเศษนี้มีเฉพาะวันที่สิบสองวันเดียวนะตลาดระดยะ ก, ก็วันเดียวสงสัยมารุมมาตุ้มกันน้าดูเลยไม่บอกว่าเปิดตลาดตั้งกี่โมงนะอะยังที่ตอนนี้ก็มันเริ่มต้นแหมกำลังคิดกันวันนี้วันที่เก้านะ ครับกับวันที่เก้าเลยครับพรงั้นก็แหมกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำ่ำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำก้กำกากำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำัำอำกำกนกำกำกนกำกำกำกำกำกเก้กำกักำกำกำทำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำก้นะ <laughs> กำาำกนกำกำกำกำไำกำกำไำกกำกม่ำกำกำกำกนกำจำกำกำกำกำกำกำกอกำกำกำกำกกำกำกำกำกำกำกำกกำกำกำกำกกำกำก้กำกำกำกำกำัำกำกำก่กำกำกำกำกำกำกำ มีเวลาฉลองเป็นพิเศษสําหรับวันแม่ปีนี้กิจกรรมพิเศษมีเวลาเตรียมการสองวันอ่าโดยเสด็จพระราชกุศลอณ์ตลาดอริยะคืออะไรอ่าผู้ไม่รู้ฟังแถมผู้รู้แล้วก็รู้ซ้ําดูแล้วรู้ซ้ํายังไม่รู้ฟังแถมก็ไม่ใช่รู้แล้วรู้แถม่ารู้แล้วรู้แถมรู้ซ้ํายังไม่รู้ฟัง ตลาดอาริยะคือเราจะเอาสินค้าที่จําเป็นที่สมควรที่มนุษย์พึงใช้ไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าหรือว่าผลผลิตของฟุง่มเฟือฟุ่มเฟือรู้ราคาฟุ่ฟ้าไม่ใช่เราไม่อยู่ในอยู่ในแนวนั้นแนวของเรานี่คือเอาปัจจัยสิ่งสําคัญจําเป็นพลาดไปได้ข่าวสารนี่แน่นอนนี้แน่นอนอน้ําปลาก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้กินปลาะจะมีกระน้ำซีอิว๊วจะมีหรือเปล่าไม่รู้อย่างนี้เป็นต้น นะรับก็ข อ, อให้พวกผู้ที่จะไปงานซื้ออันนี้ก็ทราบว่าเราจะมีสินค้าผลผลิตนี้มาขายในราคาต่ำกว่าทุนไม่ใช่เลีเล่ยมไม่ใช่เลีเล่ยมเป็นเรื่องจริงเพราะงั้นไม่ได้เหมือนอี่ตลาดโลกเขาทุนนิยมเ็าขายาคัดไพร์ เซลอะไรเง้หลอกเนั้นน่ะมันโลกของเก่ามั่งหรืออะไรแต่ใดบางอทําทำอะไรบางทีก็หลอกทำทีเป็นยังงูตรงนี้รตราคาตรงนี้แพงรีบมาถัว ก, กันอะไรโอ้ยสารพัดที่มันจะเล่นเล่ห์ของเราไม่มีข้อเราลถจริงๆเราทำมานานแล้วหลายสิบปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตลาดระยะของเรา เ, เราทำมาประจำเดี๋ยวนี้ทำทีขึ้นในการพิเศษก็ทําอย่างเงี้ยก็ทํา แต่ก่อนนี้ปีละครั้งปีละครั้งเดี๋ยวนี้ปีละหลายครั้งยังแถมการพิเศษเป็นงานอีเวนต์อีกต่างหาก <c oughs> <c oughs> ตลาดอธิยา <c oughs> แถมนะเพราะงั้นก็จะได้มาดูมาซื้อเข้าของสินค้าที่เราพึงมีหรือแม้แต่เราจะไปซื้อซื้อจากคนอื่นเจ้าอื่นร้านผลิตโรงงานอื่นที่เขาผลิตเราผลิตไม่ได้เอง เราก็จะไปซื้อสินค้าโน้นนะเราเห็นว่าเป็นจเป็นสินค้าที่ควรที่จะต้องเอามามาให้คนอื่ซื้อไปใช้เราก็จะไปซื้อมาได้ราคาเท่าไหร่มาเราก็เอามาขายต่ำกว่าราคาทุนซื้อมาในราคานี้เราก็มาคำานวณเท่าที่เราจะสามารถลดทุนได้มากที่สุดเท่าไรลดได้ต่ํากว่าทุนมากเท่าไหรเราถือว่าเราจเจริญเราถือว่าเราได้เสียสละเราถือว่าเราได้กุศลเราถือว่าเราได้มีสิ่งที่ดีอ่ะ เป็นเรื่องจริงใจเป็นเรื่องปัญญาของเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ทําได้สุดที่มันก็มีที่เราจะเสียสละได้มากเท่าไหร่ก็เท่านั้ น, นใครเสียสละได้มากจริงเท่าไหร่ก็เท่านั้นของเขาจากกิเลเขามีไม่มีก็ตามใจเขาเรื่องของเขาออย่างนี้เป็นตน้นเราทั้งใจทำอย่างนี้เราก็ทํามาจริงจรใจใเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมของเราด้วยฝึกตนเองอย่างแท้จริงไม่ได้มานั่งเล่นลิ้นนานๆทําทานทีไม่ใช่เราจะต้องทานได้ตลอดเวลาเลย มีโอกาสเมื่อไรเอาเรื่องอากาศเมื่อไหรเอ้าวิ่งใส่เลยนี่โอกาสเมื่อไรวิ่งใส่เลยเราจังนั้นจริงๆเราไปเจตนาที่จะละลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ดได้สามารถที่จะช่วยกันไม่มีของเราก็ช่วยแรงอย่างนี้เป็นต้นเราช่วยกันได้ช่วยกันทั้งแรงทั้งแรงงานทั้งเข้าของะอะมีทางด้านสมณะก็อยากร่วมอยากร่วมสมณะยังไม่ได้ออกตัวเท่าไหร่เลยนี่ก็ถามเองแล้ว สมณะกุศโลกรรมกรชื่อท่านกรรมกรชายาท่านกุศโลโทอมาถามว่าสมณะจะไปบินธบาตเชาววันที่สิบสองที่สวนลุมได้ัหม <c oughs> จะขายของก็จะขายาบินธบาตก็จะบิน อ, อัตมาว่ามันจะเป็ น, ปนภาระหรือเปล่าหรือว่าจะร่วมกันแล้วมันจะดีขึ้นช่วยกันคิดทีจะเป็นภาระหรือเปล่า แล้วจะดีขึ้นมันจะเป็นพารานะเพราะว่าจะคนก็จะมามากแล้วก็วันเดียวด้วยอะ่ะถ้าหลายวันก็อีกเรื่องหนึง่งวันเดียวด้วยเนะี่ยมันจะไม่เข้าทา่านะแต่มาว่าบินธบาตวันไหนก็ได้นี่วันอื่นไม่ใช่วันนั้นก็ได้นี่ถ้าจะบินธบาตถ้าจะถึงเวลาจะออกไปสมณาจะไปบ้างจะเปล่าละรรทไมทำร่วม คือเราค่อยๆทําความเข้าใจกับประชาชนประชาชนนี่ระแวงประชาชนนี่ยังไม่เข้าใจในพฤติกรรมของชาวโศกเราทําแม้แต่สมณชาวโศกนักบวชชาวโศกก็ตามอะไรกันเขาไม่ค่อยเข้าใจเออวันนี้สังเกตดูสีสีชีวรนตมาสีผ้าคลองเออสีน้ําตาลทุกวันทําไมมันน้าดำคือถ้าผ้าใหม่ของพระครูจะดำไม่ใช่ผ้า พ, พื้นเก่านะพื้นเดียวกันเนี่ยแต่พื้นใหม่มันจะดําครับพรอครูกรองพื้นใหม่จะดำ เหรครับพ อ, พอถ้าพื้นเก่า <พอ S 2> มันจะสีแดงจังพพ อ, พอเอาละแว่นนี้หน่อยอแว่นนี้หน่อยมันสังเกตเห็นผ่าเมื่อกี้ว่าเออล้มตาออกมาเอา๊ะทำไมอพองเราแต่ละวันออกมาทําไมมันดำดำอ๋อพื้นใหม่ดําพื้นเก่านี่แดงเลยเอ๋ออ๋อนะก็ค่อยๆว่ากันนะคือเราต้องทําความเข้าใจเนี่ยเต็งใจคืออยากไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดว่าเราเองเราทํานอกดีนอกทางนอกวินัยนอกเรื่องเป็นเรื่องที่เกินเลยเป็นเรื่องที่เราระวังนะ ธรรมวินัยเนี่ยทําแล้วมันเป็นบาปจริงๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไปเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์คนที่ใหญ่ที่สุดในมนหาจั ก, กรวาลพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนใหญ่ธรรมดานะท่านมีความรู้สุดยอดแล้วเพราะาท่านตรัสอะไรไว้ท่านวางวิธีวินัยแบบแผนไว้แล้วชัดเจนเถอะมันเรื่องของผิดก็มันก็ไม่ดีบาปได้สิ่งไม่ดีแน่อกุศลนแน่เพราะาอย่าไปละเมิด ทำให้มันตรงทำให้มันดีไปเลยออัตมาภาธรรเนี่ยพยายามที่สุดเลยอใครมันบอกมันพ้องอะไรบ้างเราก็ว่า ก, กันไปแก้ไขกันไปอเพราะงั้นในเรื่องนี้ก็ไว้นิดหน่อยนะก็เปิดเผยตัวมาเรื่อยๆขนาดนี้แล้วก็คงจะอะก็คงจะไม่ช้าเท่าไหร่แล้วล่ะก็ค่อยพูดไปก็ค่อยอธิบายไปก็ค่อยบอกกล่าวกับประชาชนไปไม่ใช่อยู่ดีๆก็พิพรัมพิพรัมีพ่พรัอมอะไรคงจะไม่ดีนะเราก็ก็เป็นไปตามลาดับนะวันตอนนี้ อ่าก็อยู่ในวาระที่เราหนึ่งจะจัดงานในวันที่สิบสองวันที่สิบสองนี่นอกจากจะมีงานและเวทีเราก็เชื่อว่าจะมีการนะพอเราได้ซ้อมวันวั น, ว, น, ว, นวันงานวันงานวันแม่เนี่ยเราซ้อมกันไว้แต่ละชุมชนแต่ละจุกชนเนี่ยหลายเจ้าเลยนะเนี่ยโอ้โหฟิตกันซ้อมกันอะไรอะไรกันที่จะไป อะไรก็แล้วแต่เรามีการแสดงอันโน้นอันนี้บ้างอะไรนี่คงจะได้ไปออกการกันในหมวดเนี้ยแล้วอย่าตีกันนะมันเยอะแล้วมันจะไปแย่งกันมันจะขับขังมันจะมากเกินมันหลายชุมชนจะมาก็จัดคิวกันแบ่งแจกกันให้ดีสัญแจ้งกันก่อนก็ดีรวบรวมเงินก่อนก็ดีนะเดี๋ยวใครเป็นตัวตั้งตัวตีซิดูแลซว่าเนี่ยเออวันที่สิบสองเนี่ยถามไทยกันรัวที่ไหนมีอะไรบ้างจะส่งอะไรมาจะอะไรอะไร จะได้ดูเวลาดูอะไรต่ออะไรแล้วก็ดูทางเวทีทางอะไรต่ออะไรด้วยนะเพระเดียวมันก็จะคับข้างเกินไปนะนเนี่ยพวเราก็จะเป็นกิจกรรมอะไรต่ออะไรของชีวิตของเราเป็นเงี้ยเราทําไปเงี้ยเราทำเพื่อสังคมแม้จะมีสันทนาการบ้างมีอะไรต่ออะไรบ้างก็ เ, เป็นวาระเป็นเกา่าวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจะเป็นความรู้ความจริงก็ตาม จะเป็นกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำเพื่อจะให้เกิดการดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นอย่างเป็นประโยชน์อย่างเป็นคุณค่ายกฐานะของสังคมให้เป็นสังคมที่ประเสริฐสังคมที่อบอุ่นสังคมที่อยู่กันอย่างเป็นสุขสังคมที่ไม่เบียดเบียนกันสังคมที่เอื้อกูลช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อเชย์กัน เป็นสารณยธรรมหมาเข้าเป้าตรงสารณยธรรมหคืออะไรสารณยธรรมห 1. หนึ่งเมตตากายกรรมสองเมตตาวจีกรรมสมเมตตามนโนกรรมสสาธารณโภคีหศีล ส, สามั ญ, ญตา หกทิฏฐิสามัญญาตานี่สารณีธรรมหกจะเกิดคุณสมบัติสารณีธรรมหกนี้ได้มวลมนุษย์ที่จะสร้างสังคมที่มีสารณีธรรมหกนี้ได้เป็นรูปธปรรมเป็นปึกเป็นแผน่นก็จะต้องมีคุณสมบัติทางจิตหนึ่งมีสารณีีธรรมสองมีปิยกรณธรรมสามมีครุการณธรรม มีสัง ห, ธรรหนะะธรรมหมีอวิวาอนะอวิวาทธรรมหมีสามัคคียะธรรมเจด็ดมีเอกีภาวะธรรมต้องมีคุณสมบัตรริเจดประการนี้ในจิตมากหรือน้อยต้องมีมีขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆสาธยายเจ็ดคำนี้ก่อน เอาแต่แต่ท้ายมาหาหัวเอกีภาวะเป็นหนึ่งเดียวเป็นน้มหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกภาพเอกีภาวะมันจะเป็นมวลที่เป็นปึกแผ่นแน่นเอกีภาวะปึกเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นมันจะดูได้มันจะมีพุท ธ, ธิภาพอย่างชาวโสรพอมีบ้างมีพุท ธ, ธิภาพพอมีเรายังไม่ดีไม่เดชเท่าไหร่หรอกแต่เราก็มีพอสมควรที่เห็นได้เป็นได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาเสแสร้งไม่ใช่มาจ้างมาวาน ไม่ใช่มาใช้อำนาจบังคับกดขี่ข่มเหงไม่ใช่เลยเป็นเรื่องอิสระเสรีภาพเป็นเรื่องปัญญาเป็นเรื่องพอใจเต็มใจสมัครใจเราถือว่าเราได้มาทํางานได้ฝึกฝนได้อบรมตนหรือว่าได้สร้างสรรได้ทาสิ่งที่ดีงามก็าพวกเราก็มากันคนละไม้คนละมือซึ่งเรก็ทําไปเรื่อยๆอัตมาก็เห็นว่ามันเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอยู่เป็นเอกีภาวะสองสามขียะมันจะอยู่กันอย่างมีขัดแย้งกันพอเหมาะ ไม่แรงไม่มีเอาเอาวิวาทะไม่มีวิวาทไม่มีอะไรรุนแรงไม่มีอะไรอยู่กันอย่างมีอะไรก็บ้างอย่างเก่งอย่างสูงอย่างแพงก็มุคขสตีถ้าเรียกว่าปากหอมุคขสตีสตีนั่นก็คืออาวุธมุคขก็คือปากปากมีอาวุธท่านเลยแปลเป็นไทยในพระไตรปิฎกจแปลว่าปากหอ เสียบกันด้วยปากของนิดหน่อยเพราะในระดับของปากของเนี่ยคนที่เป็นโสดาบันจะยังมีปากหองเสียบกันไปเสียบกันมาอยู่บ้างไม่ขยายความาเสียบปากเสียบกันไปเสียบกันมาคืออะไรไม่มันว่ากาันมันกระทุ้งกระแทกกันด้วยภาษาคำพูดเรื่องพวกนี้บ้างแต่เรื่องกายกรรมทิ่ ม, ทมทแทงเตะตี ท, ท, ทารุน ท, า, ท, า, ท, า, ทาแรงเลย ไม่มีมีบ้างเออเรนะมีบกร่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอาจจะมีบ้างเกินเกินในเดือนสำหรับคนที่มันชะตริตมันแรงนะพวกแรงๆพวกหนักๆมันจะมีพวกฮาร์ดๆนี่ยมันจะมีบ้างนะก็น้อยมากอาจะมีก็ที่ยมีอย่างพอสมควรก็คือปากอาจจะมีกระทบกระทั่งกันท า, างปากบ้างทํงาให้ภาษาพูดคาพู ด, พ ด, พดนะแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็อยู่กันยำ สามคัคคีอยู่กันอย่างประนีประนอมอยู่กันอย่างตกลงประชุมตกลงทำอะไรกันไป <c oughs> ใครไม่พอใจจริงๆมาอยาก อ, อยู่ร่วมก็แยกออกไปใครอยู่ก็อยู่กันอย่างประนีประนอม <c oughs> นะอวิวาทะสังฆะทุกคนก็ช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลเสียสละสร้างสรรค์กันไปเป็นสังคมที่เกื้อกูลจริงๆช่วยเหลือกันจังกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันจริงๆสังฆะ ดูก็อย่างงั้นจริงๆเลยที่ภาษาที่เรามาใช้กันอยู่ในสังคมทุกวันนี้ก็คือคําว่าสงเคราะห์ต่างคนต่างสงเคราะห์กันสังฆาเนี่เป็นภาษาที่มาใช้กันในไทยก็คือคําว่าสงเคราะห์ก็สงเคราะห์กันไปสงเคราะห์กันมาเกิดคุณกันไปเกิดคุณกันมานี่เป็นต้นมีคุณธรรมนี่จริงสังหาคารุกกรณะนาเขารบกันก็พูดไปแล้วย้ํำทำซาก เคารพตามสมมติเคารพกันตามหน้าตาศักยวัยวุฒิอายุเคารพกันหรือว่าตามคุณงามความดีตามความรู้คุณวุฒิวัยวุฒิอะไรต่างๆนานาพดีแม้แต่สมมติคนที่มีตำแหน่งหน้าที่อย่างโ่นนี้ต้องเคารพกันตามลำดับตามสมมุติคนนี้เป็นในร้อยคนนี้เป็นจ่าก็ต้องเคารพในร้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป ผู้มบวชก่อนก็ได้รับความเคารพจากผู้บวชที่หลังผู้บวชที่หลังก็ต้องเคารพคนบวชก่อนแม้คนบวชที่หลังเนี่ยนะจะ เ, เป็นอรหันต์คนบวชก่อนนี่จะเป็นพระธรรมดาก็ต้องเคารพตัวนี้จะบวชหลังเป็นนออ้องเป็นอรหันต์คุณธรรมคุณวุธสูงก็ต้องกราบเคารพผู้บวชก่อนเป็นสมมุติสัจจะเป็นหลักเกณฑ์ของสังคม อย่างนี้เป็นต้นมีคารุกรณามีการเคารพกันไปเคารพกันสมควรนะมีปิยกรณะมีความรักความรักนี่มีทั้งสิบมิติมิติแรกมิติเรื่องกามเมทุนมิติที่หยาบที่สุดนะถ้าเป็นไปตามธรรมชาติตามที่สุดวิสัยก็เอาแต่มันก็เป็นทุกข์าศาสนาพุทธนั้นให้ลดให้ละอันนี้ได้ซ้ําไปแต่ก็อนุโลม วิสัยก็ให้เป็นไปตามสูงสุดผัวเดียวเมียเดียวก็แสนทุกข์ละ อ, อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นอย่ามานะั่งนอกรีดนอกกายนอกใจกันไม่เอาอย่างนี้เป็นต้น อ, ต อ, ตอะต่าะําสุดอย่างนี้เป็นต้นศีลนแปดก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องมีคู่ผัวตัวเมียอะไรแล้วต้องพยายามลดละอย่างนี้เป็นต้นสูงขึ้นไปเรื่อก็หมดกามเล ย, ยนี่นะความรักกามมรเมถุนและความรักขั้นต้นเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็เลิกละกันจริงๆ เพาะความรักอมไรอัตามาที่ไม่ซาตยาความรักสิทธิมิตนะต้องไปหาหนังสือมาอ่านอัตามาเทปไว้ตั้งแต่ปีสิบเจ็ดเราก็รวบรวมเป็นเล่มเขียนมาพิมพ์ไปรู้ไม่รู้กี่ไม่รู้สิบกว่าครั้งไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วหลายหมือนหลายแสนเล่มแล้วเฉพาะเรื่องความรักสิทธิมิตินี่ก็นะนํามาเรียบเรียงใหม่ให้มันดีกระทารัดแต่ก่อนในเทศสองกันก็เอามารวบรวมถอดเทปมาแล้วก็มาหนังสือเล่มนั้นก็ใช้กันไปพิมพ์ไม่รู้กี่ครั้ง เสล้อาตมาก็เลยเห็นว่าออน่าจะเรียบเรียงขึ้นมากระทัดรา่างในมณีก็เลยได้เล่มเล็กลงมาแล้วก็บริบูรณ์ไปแล้วแล้วก็พิมพ์กันก็ศึกษากันอยู่แม้แต่ในโรงเรียนอาตมาก็ให้ใช้ศึกษาความรักสมิติมัธยมหนึ่งสอสามสี่ห้าหกก็แบ่งให้ศึกษ า, ากษันอยู่เป็นใช้เป็นนักศึอเรียนด้วยต้องเรียนรู้ความรักสมิติมีสารณียะข้อที่หนึ ระลึกถึงกันไม่ใช่เป็นคนที่ไม่นึกถึงใครอยาให้จิตออกนอกตัวแม้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวคนเดียวโดดเดียวเอกาเอกาเอกาโดดเดอยู่คนเดียวไปเดียวเดยวก็จเป็นอหันมันคนละเรื่องกันเลยเอกาเอกผู้จ่านี่คือชนตนโดยชนตนเรื่องอะไรชนตนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีมิตรดีสหายดีสังคมสื่อแวดล้อมดีไม่ให้เกิดกวนไม่ให้ช่วยเหลือไม่ให้พึ่งพาไม่ให้เป็นอะไระไรกันทํางานร่วมกันอะไรไม่ใช่ไปแปลว่าไม่คลุกคลีด้วยมุ่ เลยปรีกแยกกันอยู่ใครตัวใครตัวมันมันเลยไปกันใหญ่เลยนี่คําสอนพระเจ้านะมันมันออกนอกรีดไปนะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยคําว่าเอโกนี่โดยส่วนตนส่วนของเราคนเดียวเอโกเอกาแต่แล้วก็ไปแปลว่าอยู่คนเดียวประเดี๋ยวเดียวก็ได้เป็นนรหรันไม่ใช่โดยชวนตนนี่ทําให้ให้สมบูรณ์ให้กิเลสมันหมดถ้ามันไม่มี ถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันมีเพื่อนผู้คลีถ้านเรกวมันมีเพื่อนสองนะเอาเอาเอาขอมตติบิดข้อพุทธเจ้ามาอ่านดูก็ได้เพราะละตัญหาปราศจากราคะโดยส่วนเดียวนี่คือเอโกปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทบมเพ็ญเพียรมีใจแน่วแน่ มีสูตรอื่นอีกก็หาดูทุกปีมีสูตรอื่นอีกเรื่องเพื่อนสองนี้มีอีกอันอนึน่งนะตั้งปณิธานละบันเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตัณหาอันมีขายเล่นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆภิกษุผู้มีผู้มีสติรู้โทษนี้ว่าตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้วพึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นเว้นรอบ นี่เรียกว่าอยู่แต่ผู้เดียวมันหมายถึงเอาตัวตนร่างกายมาอยู่ผู้เดียวที่ไหนไม่มีเพื่อนสอนสูตรเดินมนี่เองสูตรนี้ก็สูตรหนึง่งมีสูตรอื่นอื่นอีกนี่ยังไงอะไม่อยูอ่แต่ผู้เดียวผู้เดียวคืออะไรผู้เดียวทะราเอโดว์ทาราอียอไามันมีสูตรอีกเนี่ยอมีอยู่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองเลยทิศุมีปกติอยู่ อยู่ได้รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาจากสุวิเวนเยียามีอยู่ฝึกนะสูตรที่มีรู้แจ้งรูปด้วยตานี่มีอยู่ธรรมารมจุดจุดจุดจุดเ น, นี่ยโดยตาได้หูโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายโดยใจจากสุวินเยีเราต้องเอามาไหวข้างติดตาสิเราก็จุดๆดไปไว้ข้างหลังมองเล็บโอเอามาไหวอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงมันก็อาตมาก็ ง, งงๆจุดจุดนี่มันก็ต้องไปไหวจากสูตนี่มันขยายพูดรู้แจ้งด้วยตาเอ จุดๆนั่นมันคือละจากผู้ที่จะด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยจนกระทั่งถึงธรรมารมณ์นี่ผู้รู้ด้วยใจมโนวิญญาณวิญญาญาอันหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจให้เกิดความรักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่นะคนที่พยายามรู้แจง้งถ้าพิสษุไม่ยินดีทีนี้พอรู้แจ้งแล้วก็ไม่ยินดีไม่กล่าวสั้เสริมไม่หมกมุ่นในธรรมอารมณ์นั้นอยู่ปดยยานใหญ่ ทั้งหมดเลย น, นะลามาทั้งแตกายวาจาใจเมื่อไม่ยินดีความเพลิดเพลินย่อมดับเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดเมื่อไม่มีความกำหนัดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องเรว่นะโหตินั น, นทะ ส, สังโยชน์นแม้จะอยู่ประโปะปนแม้จะอยู่ปนกับภิกษุภิกษุณีอุบาสก อ, อุบาจิกาพระราชาอมหามาคืออยู่ปนหมดเลยกันข้าระวาเนี่ยพระราชาอมหามาเดียร์ทีพวก ถ้าเป็นสมัยนี้ือคงฝ่ายแดงนะเนาะอยู่ประปนกันไปหมดเลยสาวกของเดียร์ีในที่สุดบ้านอยู่กับบ้านกับเพื่อนอยู่กับใครก็ตามถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวพราการอยู่ผู้เดียวนี่คือการปฏิบัติรู้ทิศทางว่าเราทําใจเพื่อให้ลดกิเลสสรุปปฏิบัติตัวเองให้ลดกิเลสนี่คือปฏิบัติอยู่ผู้เดียวแม้กิเลสยังไม่ลดก็าตามจะอยู่ฆะประปนนี่พยายามต้นรู้แจ้งใจและก็ไม่สั้เสริมไม่ยก มายินดีหมกมุ่นอยู่ในไอกิเลสเหล่านั้นเด้อมันจะไปจะทำอย่างนั้นยับให้จิตมันไปคุกคีอยาให้จิตมันไปกาะเกีย่ยวอยาให้จิตมันไปเพ้อเพลือคือสิ่งนั้นเราะมัดระวังศึกษานี่คือการปฏิบัติอยู่ผู้เดียวเนี่สูตรนี้โดยเฉพาะเนี่ยไปอ่านเลยนี่ชาระสูตรเนี่ยมิค า, า, าอ่ามิคาชามิคาชาระ ส, รสูตรเนี่ยเล่มสิบแปดข้อหกสิเจ็เนี่ยท่านผู้ศึกษาไปอ่านให้ดีๆ ในพแต่จ้าปิฎนี้แปลเอโกเอโกอยู่ผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวแล้วเข้าใจว่าห น, นีไปอยู่ผู้เดียวไม่ใช่ปฏิบัติให้จิตออกจากกิเลสเนี่ยแม้ปฏิบัติอยู่กิเลสยังไม่หมดก็อันเดียวกันอ่เอาอันนี้เอาอีกอันหนึ่งอยู่สงัดแต่มีเพื่อนสอง อ, อีกสูตรภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งโดยตามีอยู่ก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ย จนถึงธรรมารมณ์เนี่ยอยู่น่าใคร่น่ารักใครหน้าพอใจน่าชักในใครชวนในใครได้อะไรเสร็จแล้วถ้าพิสูุนนั้นยินดีกล่าวสรรเสริญในธรรมารมณ์ย่อมเกิดความรำพึงคายกันเมื่อกี้นี้ถึงจะเสดเสนาสนะอันสงัดทีนี้ไปอยู่ป่ า, อ ย, ปาอยู่ป่าไม้เงียบเสียงไม่อื้ออึงนะปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อที่จะละลดนี่แหละทำกิจให้ลดจะอยู่ป่าอยู่อะไรเงียบเสียงไม่อื้ออึงไปจ ะ, ะจากลม แต่ชนเดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของมนุษย์ผู้ต้องการสงัดสมควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกว่ามีปกติปกติอยู่ผู้เดียว อ, อ, อ, อยู่ด้วยเพื่อนสอ ง, สองถ้ามีคนไปแล้วก็ทุกคลีบจะทาอะไรแม่จะไปอยู่ป่าได้จ ะ, จะไปอยู่ ป, ปีไปอยู่ที่เล่นที่ป่าไม้เงียบเสียงอะไรก็ตามนะควรเป็นที่ประกอบกิจของมนุษย์นะคนนี้เดินเข้าเดินออกนะ ควรเป็นที่ปรนก้อเกี่ยวมสมควรที่เป็นที่หลีกเด่นอยู่ก็จริงถึงอย่างนั้นคก็เรียกว่าปกติอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนสองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้นั้นยังมีตัณหาเป็นเพื่อนสองเขายัางละตัณหานั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเพื่อนสองนี่คือไม่ได้อยู่ผู้เดียวถ้ามันไม่ละจะเป็นอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ทำทําไมละกิเลสมันก็มีเพื่อนสอง ท่านพูดทุกมุมในมุมที่อยู่ในเมืองอยู่ขะเ ข, า, ขาหรืออยู่นีไปอยู่ป่าคนเขาพูดสรุปแล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อละกิเลสนั่นคือมีจู่แต่ผู้เดียวเอโกสามสูตรชัดไหมเสร็จแล้วก็แปลเอโกอยู่แต่ผู้เดียวก็นั่นและต้องออกป่าอาอกเขาอยู่ทําไปอยู่แต่ผู้เดียวเดียวก็จะเป็นะอรหันต์จะบ้าตายเมื่อยนะ พูดซ้ำพูดยด้ำพูดซ้ำพูดซากแล้วก็ไม่เข้าใจสักทีเนี่ยมันเมื่อยเหมือนกันนะแต่ก็ต้องทนไม่ทอเพราะทำไงได้เนาะคนมันจะเข้าใจไม่ได้ค น, น <ะ S 2> ผมว่าคนมันติดภาพติดความรู้สึกเก่าๆมันเป็นเรื่องโบราณมันเป็นเรื่องที่นับถือแล้วมันเพี้ยนมาถึงยุคนี้แล้วไม่มีใครที่จะเข้าใจทั้งทั้งที่มีหลักฐานอย่างพระเจดผดกชัด ๆ, ๆเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไม่เขอาเชื่อ สมัยพระเจ้าน้ำมันเมืองเป็นยังเป็นป่าอยู่เยอะเพราะพูดไปมันก็มีแต่ป่าครับเขาก็เลยนึ ก, กว่าเป็นเรื่องของป่าต้องไปอาา่านหนังสือป่ากับาศาสนาพุทธที่อาตมารปปวบรวมมาแล้วไว้จากพระเิสดกของเทรวาทนี่แหล ะ, ะเอาผ่านตรงนี้เอาทีนี้มีข่าวมาว่าวันที่สิบสองสิงหาคมนี้เราจัดกิจ ก, กรรมที่ต้องเตรียมกันมากโดยเฉพาะตลาดอริยะและอื่นๆซึ่งขณะนี้เรายังไม่ได้ลงตัวหลายเรื่องนี่ก็ดำริแต่ว่ายังไม่ลงตัวเลย และงานนี้เราเป็นผู้ไปช่วยให้บริการด้วยมวลเราก็ยังไม่มากนักเราจต่ละคนก็คงต้องเต็มที่กับเรื่องไปรับใช้ให้บริการเต้องรู้ตัวกันนะอ่าสําหรับท่านสมณนะข อ, อนิมนต์ท่านในกาลที่เหมาะสมต่อไปจะดีกว่าไหม <laughs> นะตอนนี้จะไปเป็นภาระเพราะว่าเขาก็ต้องดูต้องแลย่างง่นอย่างนี้นะว <laughs> ่อนจะพึ่งไปดีกว่าาก็นะอตอนนี้ให้คารวะเขาทํางานให้เต็มที่ก่อน ก่อนเลยวันที่สิบสองไปค่อยว่ากันนะนะใจเย็นเย็นนสมณะก็อยากไปช่วยจังเลยนะสมณะก็เอาเอ า, เ อ, าอดใจอดใ จ, อดใจไว้หน่อยเป็นการปฏิบัติธรรมนะอดใจไว้หน่อยเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเ อ, เอาเอาทีนี้ก็มาต่อต่อเรื่องอะไรดีล่ะอ้าวทันว่ากูสิสรุปก่อนก็ได้ท่านสรุปบ้างนั่นเลียงปรดี๋ยวขีดฟันขึ้น ครับขอบคุณครับพ่อครูเมื่อกี้นี้เอาพูดต้นๆเลยว่านะพูดถึงเรื่องการเมืองนะการเมืองที่เป็นประเด็นแรกที่เป็นการเมืองก็คือการออกมาชุมนุมคือประชาธิปไตยนะแรกเริ่มนะเราก็พ่อครูก็บอกว่าจุดของพ่อครูที่ทํางานนั่คือใช้สั บ, บริย ธ, ธรรม7ประการแล้วก็มีมหาประเทศ4นะสิ่งที่พวกเราเข้าใจคือความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ย ซึ่งเราอยู่กับพ่อครูในพ่อครูก็จะเปลี่ยนอาตมาอยู่ทํางานอยู่การร่วมกับพ่อครูบ่อยๆเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของพ่อครูคือเราจะต้องลดตัวตนของเราอย่างยิ่งนะเพราะถ้าไม่ลดนี่เป็นเรื่องเพราะอิเลสเราจะเอาเรื่องเราก็จเจ้าเรื่องอา้าวเมื่อกี้พูดอย่างนี้อ้าวแล้วอี ก, กาละเอาเป็นอย่างนี้ไปแล้วเลยเนี่ยแบบคือเวลาพ่อครูพูดก็จรงิงจังอ่ะถืออะไรที่เป็นข้อมูลก็จริงจังไปนั้นแต่เวลาเปลี่ยนไปแล้วก็จรงิงจังไปนั้นอีกเราก็เลยเอา้าว คือเรายึดงไงกังอยู่พบเก่าแล้วพระครูพบเก่ากันหายไปแล้วเราอยู่พบเดิมนะเราก็กีนเลยเราก็ขึ้นนะสิเนี่ยเราก็ต้องปลดปล่อยอัตราตัวตนตัวเองเนี่ยนะให้เราสลายตัวตัวสลายตัวสลายตัวตัวตนนั้นเราก็จะสลายไปมากขึ้นนะโทษผมไม่ได้นะที่มันต้องเปลี่ยนไวัยเนี่ยเพราะว่าเรื่องมันมากสังคมเนี่ยมันเยอะครับเยอะๆเะนี่โอ้โหมันไปไปมาปั๊บไปปั๊บไปด้วยมันมันมันแหลเก่งอ่ะ เขาคมทุกวันนี้มันปั๊บแป๊บปเราเลยลเลยต้องมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปง่ายเรื่อยเยอะเรื่อยเร็วก็ผมไม่ได้โทษพ่อครูครับผมว่าคือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วแต่พระครูประมาณไงแต่เ <ผม S 2> พาผมก็แก้ตัว <laughs> <laughs> ส่วนเรื่องที่พ่อครูบอกว่าสุดยอดประชาธิปไตยคือสาธารณโภคีอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เข้าใจได้ง่ายเหมือนกันเท่าที่รู้สึกแต่มาก็ยังไม่เข้าใจ ทั้งหมดแหละแต่ว่าเข้าใจคร่าวๆตามที่พวกครูอธิบายพวกครูก็บอกว่าเราเป็นสังคมที่คนที่มาเสียสละนะมากินน้อยใช้น้อยนะโดยมาเสียสละโดยความเต็มใจแล้วก็กินน้อยใช้น้อยอย่างเช่นพวกเราเนี่ยมาไปงานนี้คือไปบริการไปเก็บขยะไปทําอาหารไปล้างส้วมไปทําความสะอาดแล้วก็มีปริญญิประถมกินน้อยใช้น้อยและรูปแบบที่ที่เราไปคือตลาดระยะที่เห็นได้ชัดเจนว่าไปเสียสละ แล้วก็ไปทำโรงพยาบุญบังไสเวรัตอันนี้เป็นรูปแบบที่เป็นรูปแบบที่เห็นชัดว่าไอ้ระบบสาธารณพยาธถ้าไม่ใช่ส า, สาธารณพยาธิตลาดระยะจะมาว่าสองวันแค่นี้ไม่มีทางทําได้ลอยทางร้อยเลยไม่มีทางเพราะว่ามันต้องมี โ, โหจัดการใน น, นู่นในนี่เยอะแยะมากมายอัมตมาเคยช่วยตลาดระยะตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันต้องจัดสรรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวของเรื่อ ง, อ, ง, อ, ง, อ, ง, อ, งอะไรก็แล้วแต่เลยแ ต, แต่ว่าอโศก ใช้ความเชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญเดิมนี่สองวันทำได้ถือว่าสุดยอดมนุษย์พอได้ทีเด็ดะนะแล้วก็พ่อครูถึงพูดถึงว่าสูตรการทำงานของพ่อครูใช้สูตรว่าอะไรอยาให้หางปองับสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสูตรนี้ถ้าใครยึดยึดมั่นถือมั่นู่หัวทิ่มเลยนะเพราะว่าสูตรดูไปนี่คือมีเหตุการณ์อะไรก็ ไปตามนั้นมีเหตการณ์ดำเนินแต่เหตุปัจจัยที่สมบูรณ์เหมาะสมเนี่ยดูเหตุดูปัจจัยแล้วทำแตมเหตุปัจจัยที่เหมาะสมอันนี้คือสัพพุทธธรรมจริงๆเลยซึ่งพวกเราชาวอสุกจะต้องสลายตัวตนอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่สลายตัวตนเนี่ยสูตรดูไปไปไม่ได้นะ เพราะมันจะดูดูแล้วไม่ไปเลยดูแล้วไม่ยอมไปด้วยไปก็ไปเพราะกรูไปเราไม่ยอมไปเออเข้าทางกันนะดูแล้วไม่ไปเนี่ยไม่ใช่นะดูแล้วไม่ไปเนี่ยมันไม่ใช่เลยเข้าทางเหมือนกันเนาะเออไม่ได้คิดแง่นี้กันเนาะเพราะว่าถ้าจิตมันยิ้นก็ไม่ไปเคขาเพราะคูไปก็ไปเราดูแล้วเราไม่ไปไปกลละทางเนี่ยเพราะว่าเราไม่เราจิตใจเรามันมันไม่ไปด้วยอะครับอันนี้เราจะต้องสลายตัวตนพร้อมที่สลายตัวตนเพราะว่าเท่าที่ทํางานกับ คือพ่ะครูเราคือเราเชื่ออามาตยเชื่อพรอครูไม่มีตัวตนเพราะนั่นเด้อเรามีตัวตนเราก็ยึดยึดความเป็นตัวตนขอนนงเราว่าต้องอย่างนี้พอพูดอ่างี้ปุ๊บเราก็ยึดทันทีจิตเป็นธรรมชาติของมันยึดพอยึดปั๊บมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พอเปลีย่ยนงนี้อ้าวแล้วทําไมเงี้ยมันไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจชัน ง, งงเพราะไม่มีไม่มีข้อมูลยิ่ ง, งงใหญ่เลยมันก็ต้องไปศึกษาข้อมู ล, ลว่าเป็นยั ง, ยงไงยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งสูตรดูไปเนี่ยนะอามาว่าเป็นสูตรที่เหตุปัจยที่มันนเปปลลี่่ยยแงอางรวดเร็ววเพราะ่า ครูบอกว่าพระเจ้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ปลายเข็มโอ้โหความจริงมันอยู่ที่ปลายเข็มเนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองที่จะเปลี่ยนแปลงได้ท่านพ่อครูเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถือว่ายังไม่ใช่ปลายเข็มนะยังอยู่หัวเสาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ยังดีนะอย่างเรายังพอตามทันบ้างใช่ไหมถ้าปลายเข็มนี่ตะมาว่าตะมาก็คงคือหัวทิ่มหลายทีขนาดนี้ก็ยังรู้สึกเออเราก็ต้องรู้สึกหลายทีว่าเราต้องลดกิเลสอย่างยิ่งเพราะว่า มันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่ก็ไม่ได้เจตนาแต่ว่าพ่กครูพยายามจะทําให้ดีที่สุดถ้าที่จะทําได้นะแล้วสุดท้ายก็พูดถึงสารานยธรรมหกนะที่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในระบบสารธรระพุีมีศินเสมอกันทิฏฐิเสมอกันขยายเรื่องสารานิยะนะจากเอกีภาวะถึงสารานิยะอันนี้ต่อมาว่าเป็นระบบที่ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าการทําจิตที่เป็นปึกแผ่นได้เนี่ยมันจะต้องจิตที่สามัคคีจริงๆที่ไม่ทะเลาะบ่อแว่งอ่ะนะ การที่จะไม่ทรเะเบแบ่งคือลดความถือสาถือสาหาความเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่อารมณ์ตัวเองแบบยึดที่ถีตัวเองความเห็นตัวเองมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องใช้มติหมู่อยังไงเราก็ต้องยอมมติหมู่อหมู่อย่างนี้เ่งี้อันนี้ก็อย่างนี้เราก็ยอมไปนัยอมได้ไม่ได้ก็ต้องยอมไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็น เ, น เ, นเรื่องที่หมู่เขาต้องการอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราบางทีเราก็ดีสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องยอมว่าหมู่เขาแบบนี้เราก็ต้องยอมซึ่งพวกครูหลายครั้งเนี่ยก็ มาปรึกษาพ่อเตมาเป็นสมณะเนี่ยพวอครูก็มีความคิดที่ดีกว่าพ่อเตมาแต่พ่อเตมาไม่เห็นด้วยพวกครูบอกเอองั้นเอาอย่างนี้แหละนะคือเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ยอมยอมเราเพราะเราไม่เข้าใจไงเราไม่เข้าใจเราก็ไม่เอาตามพวอครูเพราะครูเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วทําไงได้ให้เราเข้าใจเราก็ยังไม่เข้าใจก็ทําอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าเราเข้าใจพ่อครูก็มาเสนอใหม่เสมอนะเสนอใหม่เราก็ทําตามเหมือนกันแหละนะถ้าหมู่กลุ่มเข้าเข้าใจแบบนี้ก็ทําตามแบบนี้ไปก่อนแม้บางเรื่องบางราวก็แล้วแต่เราก็ใช้ มติหมู่ไปเนี่ที่เป็นไปและบางทีก็ถ้าเราศรัทธาศรัทธาพระครูจริงๆที่เราศรัทธายกไว้ให้ว่าท่านตัดสินถูกเนี่ยก็ใช้ใช้โอกาสหลายอย่างบางทีอย่างไปชุมนุมเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่พวกเราจะเอางี้แบบนี้เลยพอมาประชุมจริงพระครูบอกเออเอางี้แหละพวกเราก็เออเอาเอางี้เอาแบบนี้นะคือก็เห็นว่าของพวกครูดีกว่าพวกเราก็ยอมทําตามลักษณะนี้มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันซึ่งจะเกิดความ เกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าเรามีความเคารพกันเคารพกันในศีลเคารพกันในวัยวุขุคุณวุฒธยิ่งพ่อครูเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพอย่างสูงยิ่งเพราะว่าถ้าเทียบโดยบุญบารมีโดยอะไรเนี่ยเราอาตมาว่าตัวตัวธรรมาเองเนี่ยก็ไม่ติดฝุ่นนะพอดูอะไรหลายอย่างและองค์ประกอบวัฒนกรรมเป็นบารมีกันแล้วแต่เธอเราพ่อครูที่มีความเมตตาต่อพวกเราที่จะมาเล่นกับเรามาสนุกสนานกับเราถือว่าท่านเนี่ย เอ็นดูเราอ่ะเหมือนเราเป็นเด็กๆอ่ะเอ็นดูเราที่ช่วยเหลือเราให้เราขึ้นมา จ, จริงๆถ้าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราเยอะนะแต่เราเป็นยังเป็นเด็กมากเหมือนกับขี้ตาเคลอบท่านบอกใช่ไหมขี้ตาเคลอบมอมมแแม ม, มยิ่งกว่าสมุนพรอะไร <ś m ix> <lat imas> เงี้นะมันก็แบบก็ต้องมาเล่นกับเราไม่งั้นพวกเราก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่รู้เรื่องไงก็ต้องมาเล่นหแต่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มากเราก็ต้องแสดงให้ความเคารพท่านที่ท่านมีความเมตตาก ร, รุณาต่อเราเราก็ต้องเคารพท่านนะมีความรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูกันแล้วก็ระลึกถึงกันเพราะครูบอกว่าการลดละดีเดสคือไม่ใช่ว่าอยู่แต่ผู้เดียวที่จะไปไหนคนเดียวแต่ว่าต้องมีการระลึกถึงคนอื่นโดยเพราะครูบาอาจารย์ก็ต้องระลึกถึงแล้วก็หมู่กลุ่มข้าช้าโศก็ต้องระลึกถึงร่วมกันจะเกิดความสามัคคีกันปึกแผ่นกันแลนะชาวโศกเนี่ยแต่ ว, ว่าเป็นหมู่กลุ่มที่เป็นปึกแผ่นแน่นเดียวที่สุดเท่าที่เห็นมานะแม้แต่หมู่กลุ่มอื่นเนี่ยเขาไปเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมู่กลุ่มที่แน่นเดียวที่สุดคือหมู่กลุ่มชาวโศก เขายอมรับเลยว่าหมู่กลุ่มในสังคมที่ปัจป จ, จุบันเนี้ยที่แน่นที่สุด็คือหมู่กลุ่มชาวสุกแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็เป็นปึกเรียกว่าไม่ไม่คอนแตรน่ะเรียกว่าเป็นไปได้โดยยังยังดีทีเดียวละอันนี้ผมก็สรุปมันได้แค่นี้ครับทีนี้ก็บอก <c oughs> ในการที่เราออกไปงานคราวนี้โดยตรงนี่นะมันมั น, ม, นมันไม่กระจ่างหรือว่ามันยัง บางคนอาจจะงงงงอาจะสงสัยหรือข้องใจข้องใจว่าเราออกไปนี่ออกไปทําไมออกไปเรื่องอะไรอะไรเรื่องอะไรก็จะพอรู้ก็กล้าแต่จะออกไปทําไมเนี่ยพูดชัดๆก็ได้มันดูเหมือนล้มเหลวแล้วนะมันดูเหมือนแพมาแล้วนะเนี่ยใช่ไหมมันดูเหมือนมันล้มเหลวนะดูเหมือนมันแพแล้วนะเนี่ย อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วออกไปทําไมอัตมาก็พูดฟูดพูดว่าไอ้สังคมนี่ยนะแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ที่เอาชนะเอาแพ้เท่านั้นเองอัตมาว่าอัตมาข้ามพ้นเรื่องเอาชนะเอาแพ้นะจิตอัตมาแล้วอัตมาก็พาพวกเราทําเนี่ยเพื่อที่จะให้ศึกษาฝึกฝนให้ปฏิบัติจิตให้เข้าใจในเรื่องว่าไอ้เรื่องไ้เอาชนะเอาแพ้เนี่ยมันเรื่องเด็กเด็ก เด็กๆ เ, เอาชนะเอาแพ้นี่เด็กๆ เ, เ, เ, เพราะเราควรจะโตโดยเฉพาะเราเองเนี่ยอยู่ในฐานะที่ผู้ตีพย า, ยามที่จะทํางานช่วยสังคมแล้วก็เสเียสละเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้เนี่ยแล้วเราจะไปเอาชนะทำไมเพราะาเราออกไปเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาชนะ เพราะฉะนั้นเมื่อคำนี้ว่าเราไม่ได้ไปเอาชนะเอาคุณจะแพ้ก็แพ้ก็แพ้สิเราจะไปทำงานที่นี้มันมีประเด็นอัตมา ก, ก็พูดแล้วเมื่อวานนี้ว่าที่เราเออกไปช่วยนี่เพราะอะไรช่วยเพราะว่าอันนี้มันจะต้องดําเนินไปมันยังไม่สุดซอยใช้จำนวนทันสมัยเขาหน่อยนะแล้วมันจะขี้ไม่สุดก็ได้เอาเยี่ยวดีกว่ า, เ, าเยี่ยวไม่สุดก็ได้เอามันยังไม่สุดนะ มันยังดําเนินต่ออยู่จังวะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่จะต้องดําเนินให้มันเป็นรู ป, ปรธรมอัตมาก็เห็นว่าเออมันก็มีประชาชนมันจะปล่อยให้แต่รัฐบาลก็ประเด็นของมันก็คือประเด็นที่ออกมาต่อต้านออกมาต่อสู้นี่คือไม่อยากให้รัฐบาลทําอบนี้สําเร็จอ้าวเขต่อต้านนี้ยังไม่ทันสุดเลยหยุดแล้วแล้วก็บอกว่าวมันไม่น่าจะหยุดนะเราก็ไปต่อแต่จะให้ชนะหรือแพ้ไม่มีแต่ควรทําอย่างสมควร ใช้มหาประเทศเอามาพิมามามาพิจารณาแล้วนะมันสมควรที่จะต้องออกมาทําและเราก็พอทําได้เราก็เห็นว่าเออเราก็ไม่ได้สิ้นบบสิ้นรายไม่ต่อเราเราก็ไม่หรือบาคกว่าแรงอะไรก็พอทําได้เราก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็เราก็ทํากันแล้วกันนะเราทําแล้วก็ไปตกลงกับทางโน้นโดยเราไปเราเกรงใจนะผู้ที่ทำทำอยู่เขาก็ยังไม่อยากจุดชนเขาก็มี เราก็ต้องไปเจราจาไปคุยว่าอา้าวทางโน้นจะหยุดหรือไม่หยุดาทางนี้จะทำหรือไม่ทำอะไรก็คอยว่างไปในรายละเอียดเรากลตมาจะไม่ลงลึกเป็นรายละเอียดก็ว่างกันไปจนกระทั่งก็ร่วมกันทำได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือคุณจะพักก็ได้จะร่วมกันก็ได้อะไรก็ว่างกันไปตกลงกันได้แต่เราก็จะทำไปมันเป็นการสร้างประชาธิปไตยนี่สาคัญมาก มันเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้รู้ว่าประชาชนนี่ควรจะต่อสู้อย่างไรประพฤติอย่างไรแล้วนำพานะบอกว่าออกมาชุมนุมประท้วงนี่ก็อ่านไปแล้วอธิบายกันไปแล้วว่าวจะต้องเป็นเนโอโปรเทส์จะต้องอสันติอหิงสาะอะไรบา้างล่ะเก็บไปก่อนนะสันติอหิงสาสื่อสัตว์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็น ให้ชัดๆนะแล้วก็ไปปฏิบัติให้ถูกสุภาพสงบเรียบร้อยไม่มีความรุนแรงเสนอความรู้และความจริงไม่หยาบไม่ผิดแต่จะพูดแรงพูดดังยังไงแล้วแต่คุณไม่ว่ากันแต่ขออย่าหยาบอย่าผิดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราไปทำก็บอกแล้ว เป้าหมายเราก็คือไม่ได้ไปต้องการปริมาณมากมากก็ได้ก็ดีถ้ามากได้ก็ดีและต้องการมากด้วยก็เสนอไปแล้วแต่เราก็ไม่เร่งร้อนไม่เรียกร้องหรอกจะให้มันเกิดจริงตามจริงเพราะท่าประชาชนเจริญเองสํานึกเองรู้เองแล้วก็ก็สมัครใจเองว่าเอาเขาต้องมาร่วมแล้วเขาต้องมาร่วมประชุมแล้วเขาต้องมาร่วมชุมนุมแล้วเขาต้องออกมาออกมาแล้วอันนี้มันเป็นผลสําเร็จที่น่าภูมิภาคภูมิใจนะใช่ไหม เป็นประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆทําไปเราไม่รีบร้อนอกเราไม่เร่งรัดหรอกแต่ถ้ามันสาเร็จเร็วมันก็เป็นประโยชน์มันก็เป็นบุญของประเทศของสังคมมันไม่มีปัญหาอะไรนี่เพราะฉะนั้นเราก็พูดความจริงใจแบบนี้แหละนะเราก็ทําไปเราก็สแสดงสภาพอะไรเป็นลักษณะของประชาธิปไตยจะเป็นเช่นใดเราก็จะสแสดงความเป็นประชาธิปไตยตามภูมิตามปัญญาของเราว่าประชาธิปไตยอย่างนี้น้าอย่างนี้น้าทาอย่างนี้น้า เขาก็ว่าไปก็ค <lif temples> ่อยอธิบายก็คอยแสดงบทจริงเราแสดงได้เท่าไรก็แสดงให้เต็มที่จะบอกว่าแสดงดรามาตริกยังไงก็ว่ากันไปแสดงให้เต็มที่แสดงความจริงใจแล้วก็แสดงเต็มที่เหมือนกับเราปฏิบัติธรรมนี้เก็แสดงเต็มที่เขาบอกไม่จริงใจมีกิเลสเอ้ากิเลสเราก็แสดงที่เราจะไปษเอาแสดงกิเลสออกทําไมเราก็เก็บกิเลสไว้พอใจคุณมีกิเลสคุณมีกิเลสคุณแสดงออกสิบ้าเลย ก็เก็บกิเลสไว้ไม่แสดงออกนี่แหละมันก็ไม่จริงใจใจมีกิเลสก็ต้องเก็บมันไว้เรื่องอะไรมีราค้ามีโทสะก็แสดงออกสิ่งทจะจริงใจมันก็จะว้าเท่านั้นเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็แสดงออกให้มันดีนะแสดงประชาธิปไตยที่ให้มันงามท่าที่เราจะคิดว่ามันควรจะแสดงนะเพื่อมาแสดงความเป็นประชาธิปไตยมาแสดงสิทธิการชุมนมุมมายืนยันอธิปไตยของมวลประชาชน ถ้าเข้าใจบทนี้แล้วมากันให้แสดงมวลประชาชนได้เต็มที่นะงานนี้ฉันหลุยชนะอย่างที่พดเอกปรีชามั่นหมายเหลือเกินเนี่ย mm hmm. อ่าพลเดกปรีชามั่นหมายเหลือเกินเนี่ยนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราไม่ได้มุ่งหมายจะชนะหรือแพ้เป็นเป้าเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจเอาชนะหรือแพ้อะไรเราก็ไม่ตั้งใจทางนั้นนี่นะโดยเฉพาะเราไม่เอาชนะคาคาหรอกเราไ ม, ม่อกหัก เราไม่มีเจ็บปวดแพ้ก็แพ้ชะตาสามแต่ดวงใจทรงความมั่นคงแพ้ต่อไปก็ลุกขึ้นทำต่อมันมีปัญหาอะไรนี่ยังมีอีกยาวนานนักที่เราจะต้องทำไปเรื่อยๆสาเร็จเมื่อไรก็สาเร็จแต่เราสำเร็จรายทางนะเราไปได้เพราะฉะนั้นในการเอาไปแสดงในข้อที่ห้าของเราเป้าหมายของเราในการชุมนุมก็คือเรามีความเป็นสาธารณโภคีนี่เป็นของเด่นของประชาธิปไตยที่สุดยอด ที่พันสมมาสัพ ป, ปุิจา พ, พระบรมศา ส, สดาของเราได้สร้างคิดสีินี้ขึ้นมาอยู่ในสารานิยธรรมหข้อสี่เนี่ยเจ้าอาตมาเอามาเป็นรูปธ ร, รรมสร้างผลสำเร็จได้อาตมาก็ภาคภูมิใจนะทำได้เป็นส า, ารานโปกีเราก็จะมาแสดงส า, ารานโปกีให้เห็นเป็นพุทิภาพที่ชัดเจนให้ได้นะนี่คือสิ่งที่อาตมาต้องแจ้ง เนะพราะเราไปทําคราวนี้จึงเราไม่ได้ทําอย่างที่เรียกว่าจะแพ้แล้วออกไปทําไมจะบ้าเหลอไม่ไม่บ้าอเราทํากับสังคมประเทศชาติเราจะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมายากหรือง่ายคุณว่ายากเราจะทําสิ่งที่ทําได้ยากมีอะไรนะหนึ่งเราจะทําสิ่งที่ทําได้ยากเสีสสองเราจะเสียสละสิ่งที่เสียสละได้ยาก <อด S 1> สาม<ด>เราจะอดทนในสิ่งที่ดอดทนได้ยาก แิ้มีอีกอไม่ไปซ้าเหรอไม่ซ้ำเหรออ่เอาชนะมีหรอมีเอาชนะด้วยหรมีด้วยเอาชนะด้วยก็เมื่อกี้เราจะไม่เอาชนะเนี่ยอ่าเอาก็เอาชนะใจตัวเองได้ยากอ่าเอา เอ๊มีข้อนี้เลยเออชักกันอ่ามันจะขัดกันในทีเนาะแต่มันก็มีนัยยะลึกซึ้งอยู่นะเหมือนเอกเอกเอโกอ่าเหมือนเอกเอโกเหมือนกันดูแต่ผู้เดียวนะนาะลึกซึ้งอันนี้ย่าเพราะเราคิดว่าเราได้รับธรรมะนะเราได้สิ่งที่มันมันเป็นธรรมะที่แท้จริงนะเพราะว่าในขณะที่เราไปทํางานเราถือว่าเราไปทํางานเนี่ยเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ฝึกฝนเราไปสร้างความจริง เราไม่ได้ไปทำเล่นเราไม่ได้เล่นละครแต่มันเป็นชีวิตจริงของพวกเราที่ผ่านมากับสังคมแล้วก็ทำบทบาทของอันนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆโดยเฉพาะพวกเราทำได้อะไรไหมเพราะเราเป็นพวกอนาคาริกะเป็นพวกที่ไม่ห่วงบ้านชอ็องเรือนชานทรัพย์สิงคันอะไรเนี่ยแม้แต่ยาติโกโยติกาทรัพย์สินเงินทองอยาติบริวัตตังปะหายะโภคคันตาปหายะน่เข้า กหลักพระเจ้าหมดเลยเราก็เลยห่วงน้อยคนไม่ค่อยมีห่วงหรือไม่มีห่วงเลยก็เลยสบมมดีปกติหหอจจออ่ามชอ ย, อยลอรรไม่เชื่ออย่าลบลูอ่าเราก็เลยสบายสบมธมธบดีสบายมากธรรมดาปกติเลยหายห่วงจริงๆอ่าสบมธมธบดีปกติหหอจจอเนี่ยอ่าเราก็ทําได้เนี่ยเพราะเหตุว่าเราเองเรา ทำตามพุทธเจ้าจริ ง, รงๆนี่แม้แต่คำว่ายาติปริวัตังปหายะโอครคกันธาปหายะเนี่ยเราก็ไปสูตรได้ไงเราไม่ได้ห่วงญาติไม่ใช่ว่าเราไม่ดูดําดูดีญาตินะแต่ว่าเราขอมาทําสิ่งที่ประเสริฐญาติดูแลกันไปเรียนงดูถ้าจําเป็นเราก็แน่นอนคนที่จะต้องดูแลญาติที่จะต้องออบังระบนนู่อะไรอยู่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ต้องช่วยสิญาติเราต้องกอนและ อันนี้เป็นส่วนรวมส่วนทุกตัวอะไรมันก็เราก็ต้องรู้ไอ้ที่เหมาะที่ควรเราก็ไม่ได้ไปไปบังคับหรือว่าไปเร่งรัดหรือว่าไปว่าอะไรแต่ใครเห็นคนม่า น, นี่มาได้อั น, นุกัเออพอเป็นพอไปอันนี้ม า, มาก็บ้างนันสิอย่างนี้เป็นตน้นแม่พกคันทาปหายะนี่แหละตัวสําคัญไม่ต้องไปหัวทซั์สริงการเงินทองบ้า น, า น, านช่องเรือนชานก็มาร่วมสาธารณภพอกิมาร่วมข้างหมู่งกลุ่มอยู่นี่โอ้โหสบมธมดปกตหอหหเจเ จ, จ, จ, จ, จ, จมชยลล สรุปคุณหมดเวลาครับคือเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยไปเพ่อครูก็เน้นย้ำว่าไปเพื่ออะไรไม่ได้เอาชนะแต่กีเดทไม่อยากชนะไงคือแต่มาก็ถามกีเดตัวเองเลมันก็อัตตาไม่อยากชนะมันรู้ศึกษาชนะมันก็ดีไงแต่ที่เราไม่ต้องไปมุ่งหวังไม่ต้องไปยึดมั่นครับอแต่มีเจตจํานงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นะไม่เครียดไม่ซีเรียส แต่ว่าเพราะครูก็บอกว่าไปสร้างประชาธิปไตยอันนี้ก็ดีนะแต่ก็ซีเรียสอยู่นะคือจริงจังนะซีเรียสมีความหมายสองอย่างคือเวลาเขาบอกว่าความเครียดแบบพอดีเครียดถี่พอดีมันจะสร้างสรรคบเพราะมันตรงนี้มันจะสร้างสรรค์ไม่ได้ครับแข็งครัดไงถ้าเกินไปเรามันก็ปวดสมองมันก็เส้งมันตึงมันอะไรอย่างที่ว่าอาตมาว่ามันไม่เคยเครียดเนี่ย แต่ก็ด um yeah, mm. ูเหมือนมันซีเรียสเอาจริงเอาจังเพราะฉนั้นคนดูอัตมาเนี่ยเวลาอัตมาแสดงทำแล้วเอาจริงเอาจังโอ้โหแต่อัตมาก็บันเทิงนะอัตมาก็ไม่ได้ซีเรียสมูจนกระทั่งเกรงจนกระทั่งเส้นปูอะอัตมาก็หัวเราะยิ้มแย้มเบิกบานสลับไปสลับมาสนุกสนุกแถมเชิญยิ้มมกจกทัดลิขิตน้อยๆอะไรรันไปครั้งนี้ก็ไปสร้างประชาธิปไตย แล้วก็ไปพัฒนาตนเองนไปพัฒนาคนฝึกฝนตนเองเพราะครูก็เน้นย้ำตรงนี้ว่าสูตรดูไปของพวกครูนี่แหละคือดูแล้วก็ไปพัฒนาตันเองให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะอาตมาเด็กชุมนุมก็เราก็ขี้เกียจอะไม่อยากไปลําบากอะเดี๋ยวก็ตากฝนแล้วก็รู้อยู่แล้วเปิดใจเปิดใจแบบรู้อยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเองบ้างใช่ไหม <c oughs> ไปตากฝนไปลําบากโอ้ยอางอาหารอะไรก็แล้วแต่มันก็แบบมันก็ลําบากไปหมดทุกอย่างที่เรารู้สึกคืออยู่ที่นี่มันก็สบายกว่า แต่ว่ารัฐบาลได้ข้อคิดอย่างหนึ่ว่าตัวเองก็ไปที่ไหนก็ไปลดกิเลสไงตอนนี้ก็มีแบบผัดว่าเราต้องไปลดกิเลสที่ที่นี่เราก็ไปลดกิเลสที่นั่นมันเป็นโจทย์อะเป็นโจทย์ที่เหมือนครูครูให้โจทย์กับเราแล้วเนี่ยให้แบบผัดกับเราเราก็ทําแบบผัดลูกศิษย์จะผ่านไม่ผ่านเราก็มาส่งว่าอ้าววันนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วก็บอกเอออันนี้ผ่านผ่านแต่ละอันแต่ละอันคือแบบผัดที่ครูที่จะสอนนัคือเขาท่านแบบหัดแต่ลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองจะพัฒนารูศิษย์ตัวเองนั้น เราเมื่อมาเรียนรู้กับผู้บริษัทท่านให้แบบหัดเราแล้วเนี่ยเราก็ไปทําแบบหัด น, นั้นให้ได้ใครตั้งใจทําแบบหัดเต็มที่แตมาว่ามันก็จะสอบผ่านแม้ทําไม่ผ่านแต่มันก็ได้ทำแบบผัดมันก็ได้มีประสบการณ์แต่ถ้าเราไม่ไปทําแบบหัดเราก็จะไม่ได้ไเลยเป็นลูกศิษย์ขี้เกียจแต่ให้กันบ้านก็ไม่ทําสอบทแล้วก็ตกทุกทีนะเข้าสนามสอบที่ใก็ตกทุกทีครา้นี้เราก็ไม่ทำแบบหัดซะอันไหนที่ไปก็ไปอันใดที่ใครอยากไปคือแบบผัดก็มีคนอยากไปก็ควรไป คนที่อะไรไม่จะอยากจะไปแต่ไม่ให้ไปก็ต้องอยู่ก็ทำแบบแผนอีกอย่างหนึ่งคืออยากไปแต่ไม่ให้ไปไอคนไม่อยากไปแล้วก็ต้องให้ไปะอะไรเงี้ยมันก็ไม่สองต่างยื้อก็ไปยื้อกันมาแต่แต่ ม, <c oughs> มาว่าเราอยู่กับครูที่มีความสามารถสูงแล้วก็รู้ว่าคนทำไรไม่ควรทําอะไรแล้วทําให้เรามีแบบหัดแบบนี้เนี่ยแต่มาว่าเราน่าจะไปทําแบบแัดใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ให้ฝึกหัด <c oughs> <c oughs> ไปฝึกหัด <c oughs> <c oughs> ไปฝึกหัดไปทําแบบจบแล้ว สูตรนี้ดีมากสูตรพระเจ้าจนี่อ่านเลยมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นโอ้โหแก่แล้วเหรอครับอ่าจะมาอ่านแกจบด้วยสูตรนี้ก็แล้วกันคุณสรุปแล้วนะพอน้ตัดเลยนะครับอ่าจบด้วยสูตรนี้ก็แล้วกันนะสูตรที่พระพุทธเจา้าท่านสอนไว้ว่าอ๋อเอาไปไหนเล่าจะ อ, า อ, ะอะ่านอ๋ออ่านะเอาเอาไปทา้งบ้านให้ดูด้วยก็ได้ สูนี้คือตั้งตนในคุณอันสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นจะไม่มัวมองสรุปย่างนั้นอาจมา ก, ก็เคยใช้บ่อยเพรา ะ, ะเราไปี่ไปฝึกตนทาคนให้อันสมควรของเราไปเรื่อยๆบุคคลพึงยังตนนั้นแหลให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรก่อนพึงค้ำสอนผู้อื่นในภายหลังบันดิตไม่พึงเศร้าหมอง ตัวยันผู้ใดที่ฝึกฝนตนเองก่อนได้หมลแล้วก็ไปสอนผู้อื่นหรือไปทําให้ผู้อื่นดูอะไรไม่พึงเศร้าหมองหากว่าภิกษุพึงทําตนเหมือนอย่างที่ตนพร่ำสอนคนอื่นไซภิกษุนั้นมีตนทันฝึกดีแล้วหนอพึงฝึกตนได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากนะตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นไร่เล่าพึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากนพระเพิทกเด่ยี่ภาคข้อยีองากจเจริญธรรมทุกขศร